จเจริญธรรม ท, ทุกคนวันนี้วันที่สองวันอังคารที่สองกันยายน2557ายขึ้น9กําคำเดิน10บปีมาเมียวันนี้เป็นการเรียนสรรค่าสร้างคนค ร, งครั้งที่11 สันกาสร้างคนอ่าเราก็มาพูดต่ออตมาได้เอาบุญนิยมที่สมบูรณ์ที่มีทึงสบอประการมาไล่ค่อยๆแจกไปทีนี้ไปแจกเอาตรงข้อสองที่ว่าต้องเข้าโลกุตระก็นเลยแวะเขาไปหาธรรมะไปอธิบายธรรมะก็เลยกลายเป็นพุทธชีวศิล์ไป เรายะไปกลายเป็นเนื้อธรรมะไปโม้จะกลายเป็นเรื่องธรรมะหนักกป่นเรื่องของสังคม อ, ออกมาใหม่พ อ, อพอเป็นน้ำจิม้มพูดถึงโลกุตระไปแล้วข้อสองล้วก็เลยคิดว่าพอก่อนเราก็ไปฟังเรื่องของธรรมะหนักๆกันกที่พุทธชีวศิลป์กันก็ไปข้อสว่าทำได้ยากนายกเว้นผู้มีบรารมีจริง นาะยกเว้นไม่อยากนักพุทธิมีบารมีก็จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแล้วมันก็ง่ายเร็วนะมีแล้วถ้ามีท่วนเลยยิ่งมีแล้วเป็นปัจเจกหรือเป็นสยังลพิญญามาแล้วก็ยิ่งไม่อยากนะเปลี่ยนพออะไรทันทีก็ได้นะอย่างพุทธิท่าน เร็วแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นตัวอย่างในตำนานพระรูตเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระยศพระยศหรือว่าจะเป็นพระพาหิยะธารุจริยะหรือเป็นองค์ไหนๆแต่ต่างๆแม้แต่องค์คุลิมา น, นี่เป็นต้นก็พลับเดียวพลับเดียวท่านก็ปุ๊บปเหมือนกับคนโลกๆแย่ๆอย่เลยอางองคุลิมานเงี้ยก็เปลี่ยนพลับมาก็ได้เลยนะก็ไม่อยาก นะสำหรับท่านภูมิบารมีแล้วหรือแม้พระพุทธเจ้าเองยังไม่ถึงเวลาวาระที่อาตมาใช้สั์คำว่าลิงลมอมก็พองเป็นสภาวะของลิงลมอมก็พองนะก็มาตกอยู่ในการครอบงาของโลกีตามวิบากมันเป็นตามวิบากนะยุคที่จะเกิดมาปางไหนก็แล้วแต่เป็นวิบากของแต่ละ คนแต่ละคนอย่างอาตมาก็มีวิบากไปเป็นลิงลมอมกระพองอยู่ตั้งสามสิบหกปีจะแล้วก็ค่อยมาฟื้นแล้วก็มาเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาก็ตามแบบของอาตมานั่นเพราะงั้นพูธที่มีบา ร, รมีเนี่ยที่อาตมาเคยเล่าเคยอธิบายสู่ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของอจินไตเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าจะ มันไม่รู้หรอกถ้าอาตมาว่าอาตมาไม่อธิบายก็คงจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไรนักในสภาพของดิงลมอมกระพองเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะว่าไงมันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คิดไม่ได้แต่มันต้องมีอาตมาที่เอามาพูดก็เพราะว่าอาตมามีเอง รู้ในตัวเองแล้วก็เป็นที่ตนเองอซึ่งเอามาพูดแล้วก็มายกตัวอย่างคนอื่นๆให้ฟังไม่ได้พูดแล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรจะรองรับหรือว่าเอ้มันไม่เข้าท่า ม, มันมีเหตุมีผลอะไรมันไม่มีสภาวะอะไรจริงที่จะมีอะไรยืนยันอ้างอิงเทียบเคียงอะไรได้เลย ที่จริงมันก็ยังมีสิ่งที่เคียงได้อย่างที่อาตมาพยายามอธิบายเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าเองท่านเองท่านมีพุทธการกรรมมีธรรมะที่ได้บำเพ็ญมาเต็มแล้วพุทธการกรรมคือธรรมะจะทาให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นี่ก็บาเพ็ญธรรมะ สมาสัมปชัญญามันเพนไปจนกว่าจะเต็มเต็มแล้วก็เป็นสยามภูเป็นส ม, มาสัมพุทธโธเป็นความมีความตรัสรู้เองโดยชอบเต็มเรียบร้อยเสื้อัตรมาก็อธิบายสู่ฟังแล้วพวกเราคงจะพอมีหลักฐานยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงประวัติของท่านอะไรต่างๆให้เป็นต้นซึ่งอธตมาก็ ยืนยันให้ฟังแล้วก็ดูกันตามตำนานตามประวัติตามหลักฐานก็ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมในปางที่เกิดมาเป็นเจ้าชายศิทษฐะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะไม่รู้จะไปไปฏิบัติถูกยังไงตามใคร มันไม่มีใครที่จะปฏิบัติถูกปฏิบัติตามได้เพราะมันไม่มีธรรมะของพุทธในพระพุทธเจ้าที่จะเกิดมาประกาศาศาสนาใหม่เนี่ยโลกมันไม่มีาศาสนาพุทธเลยมันมีแต่อะไรแต่อะไรไปหมดาศาสนาพุทธมันหายไปแล้วแม้มันจะมีบัญญัติมีภาษาอ่ามีคําความมีอะไระอะไรต่างๆนานา มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอะไรอยู่ต่างๆพางค น, นี้แม้แต่จะมีคำว่าพุทธอยู่ก็ตามมีมรรคองแปดอยู่นี่เป็นต้นก็ตามมันก็ไปเพี้ยนไปหมดแล้วจะเรียกว่าพุทธอยู่อย่างเดิมแต่มันไม่เป็นพุทธแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องอธิบายไปใหม่อธิบายไปอาจจะใช้ชื่อเดิมอยู่นั่นแหละหรือจะปเปลี่ยนไป แต่ท่านก็ไม่เชิงนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตั้งชื่อศาสนาของท่านทีเดียวแต่ท่านใช้คำว่าพุทธเหมือนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งศาสนาเลยเนะแต่เราก็ใช้คำว่าอโศกอะไรเงี้เป็นตน้นมันก็ใช้แทนแทนไปแต่เนื้อหาเราก็ใช้ของเก่าอย่างเราอโศกเราก็ใช้เนื้อหาของเก่าที่อยู่ในของเก่าที่ซ่อนอยู่ในของเก่าที่มันไม่ใช่แล้ว คือพุทธทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าแต่หมดเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่พุทธแต่เราก็ใช้พุทธของเก่านั่นแหละแต่เราไม่ใช่ในนามขาองอโศกอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็นยะเดียวกันท่านก็นใช้ของท่านนะใช้เป็นพุทธที่มันไม่มีชื่อพุทธแล้วด้วยซ้า นะในที่ท่านเกิดมามันมีพุทธแต่ก็พอรู้ก็อยู่นะว่าพระพุทธเจ้าเขาก็รู้นี่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครเขาก็เข้าใจแบบสุดยอดแล้วถ้าพระพุทธเจ้าเราก็สุดยอดแม้แต่พราหมณ์ทั้งหลายที่ศึกษากันทุรสนักก็บอกว่าโอ้ถ้าพระพุทธเจ้ากูบัดมาแล้วนี่สุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าต้องสุดยอดใครอ่านตำนานไใครอ่านพระเตปรดกก็จะรู้นะพระเตปรดถ้ากล่าวถึงว่า พระพุทธเจ้าแล้วลวก็พรามทุกคนพรามทุกรูปเจ้าสํานักที่ชื่อว่าพรามทุกรูปถ้าบอกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมไม่ไม่ไม่กล้ายอมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กล้าหือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงมาอุบัตแลยอมรับนับถือพรามเจ้าสํานักใหญ่ขนาดไหนทั้งนั้นเลยเราจะเห็นได้ในตำราพระ ตาในตํำราในพระเถปิฎกเพราะนั้พราหมณ์เจ้าสํานักใหญ่ๆๆๆก็ยอมอย่างในตาพระเถปิฎกหลายๆสูตรที่บอกว่ามีพราหมณ์ที่ได้ข่าวบางพราหมณ์บางคนบางรูปมาเองมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเองเลยเพราะว่านี่พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วประกาศตัวเป็นพูเจ้าแล้ว มาเองเลยมาเคารพมาสอบทานดูตามภูมิที่มีนั้นนะที่จริงพรามกับพุทธณเดียวกันพรามกับพุทธนัเดียวกันแต่พอเวลาเกิดพุทธขึ้นมาแล้วนานไปนานไปนานไปนานไ ป, นนไปมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปเป็นพรามอย่างเก่า ถ้าใครอ่านหนังสือคนเออเปนอ่านหนังสือทางเอกที่อาตมาเขียนนนะจะเข้าใจจะเห็นเลยอาตมาก็อธิบายฟังแต่ก่อนนี้มันก็เป็นพุทธนี่แหละโดยชื่อเปลี่ยนไปเรียกพรามจากพรามก็มาเรียกพุทธจากพุทธก็ไปเรียกพรามกลับกันอยู่อย่างนี้นานมากพวกเราเนี่ย เป็นพรามหรือเป็นพุทธรู้บ้ า, ไ ม, ม า, มมามไม่ใช่สมณ พ, พ, นะพราหมณ์สมณพราหมณ์เนี่ยไม่ใช่สมณพุทธนะสมณพราหมณ์เราได้ตกลงกันเข้ามาแล้วแยกออกมานี่ยนะเราได้สมณพราหมณ์เราต้งมาใช้เรียกเราว่าสมณนะแต่เราไม่ใช้คําว่าพรามเท่านั้นเองเขาตัดออกตกลงกันก็ให้เรียกสมณพราหมณ์สํารับพราหมณ์ตอนนี้เป็นพราหม์ อย่างนี้เป็นต้นมันจะวนไปวนมาพราพุธมันจะเพี้ยนจากอะเทวนิยมกลับคืนไปเป็นเทวนิยมอย่างเดิมเพราะเทวนิยมนั้นคลองโลกมันนิรันด์มันจะอยู่ของมันตลอดนั่นแหละวัตถุทุกอย่างนี่จะเอาของดีมาให้รักษาไว้ไม่ได้หลอกโลกได้พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เสื่อมไป เปลี่ยนไปเป็นนั่นะอย่างนั้นแม่ที่สุดแล้วในยุคที่เสื่อม จ, จัดๆอย่างยุคยุคที่พระพุทธเจ้าท่านจะอุบัติขึ้นมาประกาศศาสนาเนพราหมณ์เองก็เสื่อมเสื่อมหนักพรามมหาสารต่างๆเสื่อมหนัก เ, เหมือนเดี๋ยวนี้พุทธก็เปลี่ยนไปเสื่อมไปเปลี่ยนไปจนกระทั่งไปเป็นเจ้าสำนักขนาดเป็นมหานิมหายาน อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าสำนักโอ้โหมีอาณาจักรตัวเองเลยมีทรัพย์ตริ์งคารมีอะไรสืบทอดเองเลยนะลูกดิเป็นเจ้าสำนักต่อเลยเป็นเจ้านิกายเลยเป็นเจ้านิกายต่อต่อต่อต่อไปเลยลูกมีเมียได้เป็นเจ้าสำนักใหญ่เลยมีเมียได้ร่ารวยมหาศาลเลยนะ ก็ยังชื่อว่าพุทธอยู่นั่นแหละเรียกว่ามหายานนี่กายอะไรเขาก็เดี่ยวเข้าไปแต่เขายืานยันว่าเป็นพุทธก็เหมือนกันนะพราหมณ์มหาศาลก็มีลูกมีเมีย ม, มีตระกูลมีอะไรตระไรต่างๆนานาสารพัดเหมือนกันเพราะเวลาที่ยาวนานมาจนกระทั่งเราไม่มีประวัติศาสตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ไม่มีบันทึกไว้บันทึกไม่ได้แล้วนานจนประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึก แต่มันมีหลักฐานที่อาตมากาลังพูดให้ฟังไงวะนี่ก็เล่าย้อนเป็นอาเจนใจให้ฟังถึงวัตตะนะที่มันหมุนเวียนก็มามุนไปมุนมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเช่นนี้นะมันก็เล่าสู่ฟังเท่านั้นพวกเราก็ไม่ไม่มีไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปคิดอะไรมากรู้ประดับตัวเองไปไว้เท่านั้นเอง เพื่อที่จะให้เข้าใจลึกๆเอาไว้ว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่อย่าไปถือสายึดมั่นถือมั่นเลยทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นแต่เพียงเราเรียนปัจจุบันนี้ตรวจสอบในยุคนี้ศาสนาพุทธยังไม่สูญสิน้นศาสนาพุทธยังมีเชื่ออยู่แล้วก็ยังมีผู้ที่จะมาสืบทอดเสื้ออรตมาก็มั่นใจว่าเป็นผู้ ท, ที่จะมาสืบทอดมาสืบสารศาสนาให้กลับฟื้นคืนเป็นพุทธขึ้นมา จริงๆก็ตั้งใจแล้วก็รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรอย่างที่พูดไปแล้วนี่แหละสรุปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากขณะนี้ก็ยากด้วยแล้วที่เห็นอยู่ว่ามันยากแต่ยากยากเท่าไหร่ก็ต้องทำซึ่งการยกขยายคฟางว่าถ้าผู้มีบารมีก็ไม่ยากเท่าไหร่อย่างพวกเรานี่หลายผู้หลายคนบางคนมาที่นี่บอกโอ้ถ ล, ละใบยมุกง่ายมาก อยู่ข้างนอกก็ติดอยู่นะแต่บอกให้เลิกมันก็เลิกติดระบายชีโมสิ่งเสพติดอะไรเลิกง่ายอาติดกินนู้ดส่งนู้ดสัตว์อะไรก็เอไม่อยากอะไรมง่ายบางคนก็ปฏิบัตินิดหน่อยก็เลิกได้แล้วอะไรนี่เป็นต้นคนที่มีบา ร, รมีหลายคนที่ไม่มีบา ร, รมีก็ต้องต้องปฏิบัติเพิ่มต้องภาคเพียรหน่อยภาคเพียรไปภาคเพียรไปก็ก็ได้จนได้แหละคนเรา พักเพลยนก็ได้นะสรุปแล้วก็คือว่าบุญนิยมเนี่ยหรือโลกุตระเนี่ยทำได้ยากนะทำได้ยากแต่แม่ยากอย่างไรก็ต้องทำนะเป็นข้อสามข้อสี่เป็นไปได้นะวงนี้บว่าไม่ใช่ฝันเฟื่องเป็นไปได้ไม่ใช่ฝันเฟื่องนะ ของจริงที่ยังอยู่ในยุคการที่พุทธจะเกิดได้พุทธจะเกิดได้ภาษาบาลีก็บอกว่าพุทธุพุทธุปาทกาลพุทธุปาทะหรือพุทธุบาทพุทธุบาทพุทธุบาทปาทะบาทคือปาทะพุทธุปาทกาลกาลกคือการเวลามันเป็นเวลาที่พุทธ จะอุบัติอยู่ได้จะอุบัติได้เพราะฉะนั้นความว่าพุทธจะอุบัติได้นั่นก็คือการยุกที่มีผู้ที่ยังรับพุทธได้เช่นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าสมณโคโดมเราเนี่ยตามประวัติก็ก็เห็นอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าพอท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าโอ้เราเป็นพุทธเจ้าพุทธเป็นเชนนี้เอง ท่านระลึกชาติรู้แล้วอ๋อพุทธเป็นเช่นนี้และท่านก็เลยยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมท่านก็มาตรวจดูยุคคือกาละนี่ตวยุกตรวจการตวกาละว่าจะประกาศพุทธนี่ลงไปให้เกิดมันเหมาะสมที่พุทธจะต้องประกาศไหมกาละอย่างนี้ยุคอย่างนี้มันมันเกินไป มันไม่ไหวแล้วประกาศเสียของเปล่านะตอนนี้ก็กําลังวันวันอยู่ว่าคอสชจะเสียของไหมอยู่เหมือนกันนะลักษณะเสียของอธิบาย ข, ขยายความใหมพวกจุฬาฯจะเข้าใจง่ายๆจะมาพระพุทธเจ้าก็เสียของเหมือนกันถ้าเปิดประกาศไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันเสียเลยประกาศพุทธออกไปแล้วพ้รับไม่ได้หรือรับได้ก็น้อยเกินควรไม่คุ้ม ไม่คุ้มเป็นไปไม่ได้ก็เยอะแหละอัตมาก็เล่าไม่หมดหรอกอธิบายอธิบายมันเป็นอจินไตคือตรวจการละโดยว่าควรอุบัติหรือไม่ควรประกาศหรือไม่ถ้าประกาศไปเสียของท่านก็จะไม่ประกาศจบพอท่านปริวิตตกหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะจะไม่ประกาศน่าจะเสียของ ก็มีจิตเมตตาขึ้นมาสหาพรมสหบสหามบดรีพรมเป็นปกลาจิฐานมารัถนามันไม่ได้นะพระเจ้ากาสิสิบหายใหญ่เลยท่านก็ตรวจอีกตรวจพุทธุปกาทุพุทธ ป, ป, ปาทกาละเนี่ยตรวจอีกโอ้ผู้ที่มีในผู้ที่มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ ยังมีผู้ที่จะพอเทศได้เป็นได้น ะ, ะก็เป็นไปได้คุท่านกระติัดสินพระไยัยประกาศาศาสนานี่คือการตรวจกาลยุคว่ากาลยุคนี้จะเป็นไปได้ไหมจะเกิดาศาสนาอยู่หรือเปล่าถ้าประกาศจะเสียของไหมนั่นก็อย่างหนึ่งพระบริจาก็ประกาศแล้วก็ไม่เสียของเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่พุทธยังอุบัติได้ แปลงง่ายๆก็คือพุทธทิยังอุบัติได้พุทธุ ป, ปกาละพุทธุ ป, ปาทกาละอีกอันหนึ่งก็คือยุคนี้แหละพุทธยังเป็นไปได้ไหมมันเสื่อมมาขนาดนี้แล้วจะกู้กลับได้ไหมไม่ใช่ว่าประกาศใหม่ไม่ใช่ว่าประกาศใหม่ม ก, หมกู้กลับอาตมาเป็นโพธิสัตว์ซึ่งอาตมาไม่เสียหน้าอะไรหรอก ถ้าอาตมาจะประกาศถ้าอาตมาไม่ใช่ประกาศอาตมาจะมาสืบสารอาตมาจะเอาโลกุตรธรรมเอาธรรมะคอามมุตเจ้าที่เป็นอารยธรรมโทโลกุตรธรรมม า, ม, ามาฟื้นขึ้นใหม่มาสืบสารใหม่เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้จะได้น้อยคนจริงๆมันได้บ้างแหละแน่นอน ย, ยังไงยังไงว่าต้องมีคนได้บ้างนิดหน่อยมันไม่เออนัอ่นหรอก ก็ประกาศไปก็จะได้เท่าที่มันได้เพราะงั้นบางทีบางท่านเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็ตามเกิดในบางยุคแล้วก็จะรู้เหมือนกันว่าเออยยุคนี้เราควรจะต้องพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธไหมพระโพธิสัตว์บางองค์เกิดมาในบางยุคเพื่อมาศึกษา ก็ไม่จำเป็นที่จะไปพูดถึงพุทธเพราะพุทธไปประกาศไปสแสดงออกไปคนก็ไม่รู้เรื่องคนรับไม่ได้ไม่ใช่กาละพุทธจะอุบัติลงได้อย่างลงได้พุทธุปาปัพุทธ อ, อ, อุบัติขึ้นไม่ได้เลยยังไงก็อุบัติไม่ได้เพราะกาละในเหตุปัจจัยมันคนไม่ไหวแล้วศา ส, สนาพุทธต้องประกาศกับคนนะมัประกาศกับอื่นไม่ได้หรอก มันไม่มีคนจะรับได้แล้วมันเสื่อมแย่แล้วและคนก็ไม่มีบา ร, รมีพอเพระฉะนั้นบ ร, ริษัทบางองค์บางต่างบางป า, า, า, า, างบางยุคอุบัติขึ้นมาในสังคมยุคเรนุคนั้นจึงไม่พูดถึงศาสนาพุทธเลยศึกษาอย่างเดียวและก็ใช้วิบากตนเองไปเท่านั้นเองศึกษาและใช้วิบากเพราะว่าเป็นมันไม่ใช่พุทธ มันใช่พุทธ ป, ปาฏกาละไม่จะกาละที่พุทธจะอุบัตินะพุทธกาละหมายคำว่าอย่างนั้นยุคสมัยที่าาศาสนาพุทธจะหยั่งลงได้ไหมมีเหตุปัจจัยพอที่จะประกาศให้าศาสนาสืบสารต่อไปได้ไหมหรือจะอย่างพระพุทธเจ้าก็ประกาศตั้งาศาสนาใหม่เลยจะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะ เพราะงั้นอาตมาก็ยังยืนยันอยู่ว่าเป็นไปได้พุทธ ป, ปาฏกาละกาละนี้พุทธยังจะกู้กู้ศาสนานี้กลับคืนมายังจะสืบต่อไปได้อีกช่วงหนึ่งอย่างที่พูดไปแล้วเสือตมาไม่ได้พูดเล่นหรอกพูดจริงแต่คนที่เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ เขาก็แน่นอนเขาก็ไม่เชื่อหรอกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนไม่เชื่อก็ ม, ม, ม, มีบังคับเขาได้ยังไงอ่ะก็ไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเขาไปคนที่เชื่อคนที่เห็นประโยชน์เห็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นผลดีก็มาเอาก็เท่านั้นเองอาตมาก็ทำเพื่อผู้ที่จะสแสวงหาผู้ที่ปรารถนาจะทำจะเอานะเพราะงั้น อันนี้เป็นความจริงที่อาตมามั่นใจเท่านั้นแล้วก็มั่นใจอีกว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่ฝันเฟื่องเป็นไปได้เป็นอย่างไรก็ทดสอบตรวจสอบเอาได้ว่าพุทธเป็นเช่นนี้เป็นโลกุตระอย่างนี้เป็นเทเป็นอัเทวนิยมอย่างนี้หลักที่ตรวจสอบสําคัญที่อาตมาใช้ภาษาอยู่สองคำคำว่าโลกุตระกับคาว่าอเทวนิยมสองคำนี้เป็นคํา ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นพุทธเพราะพุทธไม่ใช่โลกียะตรวจสอบว่าโลกยะคืออะไรโลกุตระคืออะไรเทวนิยมคืออะไรอเทวนิยมคืออะไรตรวจสอบได้ไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะคุณก็คงจะเข้าใจได้แล้วว่าเออมันไม่เหมือนโลกุตระมันเป็นศาสนาที่ อยู่โลกนี่แหละเรื่องโลกนี่มันไม่เหมือนกันกับโลกมันเหนือโลกโลกุตระมันไม่เป็นธาตุของลาบยศสันเซิลนกีสุขลาบยศสันเซิลนกีสุขมันเป็นเรื่องของโลกเราก็รู้ลาบคืออะไรยศคืออะไรเขาก็ใช้กันอยู่สันเริญคืออะไรกามคืออะไรลึกก็ไปถึงอัตตานะนะถึงจะเป็นเรื่องของเทวะหรืออเทวะ แต่ถ้ากามถ้าลาบยศสันเสริญมันพอมองออกว่าโลกียะมันเป็นเช่นใดนะแต่ว่ากามนี่นะโลกียะที่เป็นรือีเนี่ยเขาเป็นเทวานิยมเขาก็ลดนะลาบยศเขาก็ลดสันเสริญก็ก็ลดเพราะฉะนั้นลึกก็ไปสุดนอกจากโลกียะ ที่พอมองออกในรูปของลาบยศเซญโลกีสุขว่าคนที่ติดยึดอยู่คืออย่างไรคนที่ไม่ติดยึดคืออย่างไรมันก็พอมองออกแต่มันลึกซึ้งตรงที่ว่าเทวนิยมเขาก็ทิ้งลาบยศเซนโลกีสุขได้เขาก็เป็นเทวนิยมเป็นอัตตาเป็นอาตมันเขาไม่รู้จักอัตตาเขาไม่รู้จักอนัตตา พลลึกเข้าไปถึงอเทวนิยมนั้นต้องมีปัญญารู้จักอัตตาและปฏิบัติจนถึงอนัตตาทีนี้พอรเรียนรู้อัตตาปฏิบัติเพื่อลดอนัตตานี่แหละมันก็ไปสัมพันธ์นกันกับโลกุตระ ที่เราก็มีพื้นฐานเราก็ได้อธิบายกันมาแล้วอาหลักฐานวเจา้ามายืนยันแล้วว่าถ้าเป็นโลกุตระเราเป็นไงก็รู้จากอัตตาตั้งแต่อัตตามันไปติดโอราทิกับอัตตาที่เป็นอบายโลกอบายเราก็ล้างกิเลสเราได้ไม่เอาอบายโดยการบรรลุโลกโลกุตระบรรลุจากโลกียะ ขึ้นมาเป็นผู้มีโลกุตระหนึ่งเรียกว่าโสดาบันพ้นจากโลกุตระไยขอไปพ้นจากโลกิยะมาเป็นโลกุตระที่หนึ่งตั้งแต่โลตั้งแต่โลกุตระข้อหนึ่งคือโสดาปฏิมาคและก็โสดาปติพลซึ่งโลกุตระ9ก้าก็มีโสดาปฏิมาคโสดาปฏิพล สกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอนนาคามีผลอรหัตต์มักอรหัตต์ผลสุดยอดก็เป็นนิพพานนี่คือโลกุตรกาสก็สมบูรณ์สมบูรณ์ก็ยืนยันจะเป็นโลกุตระได้ก็ต้องเข้าไปถึงจิตเจตสิกเป็นปรมติ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจะเข้าไปปฏิบัติมรรคเป็นสมัมมาเรียมรรคเริ่มต้นตั้งแต่โลกุตระแรกแรกเลยก็แจกละเอียดไว้อีกพระพุทธเจ้าแจกละเอียดไว้ในโพธิปัคคีธรรม3าเรียกว่าโลกุตระ37อย่างที่เราเอามายืนยันแล้วในปฏิปปิดกเล่ม31ข้อห3 0อสา โลกุตระกถาเล่มส1อข้อหกร้ยสบท่านก็ตัดยืนยันว่าโลกุตระมีถึงส6หเมื่อรวมโพธิปักเยธรรมซึ่งเป็นภาคหลักปฏิปทาข้อปฏิบัติ37ข้อก็เป็นตัวปฏิบัติ พ้นถปฏิบัติเป็นสมาธิจิตตั้งแต่ข้อหนึ่งถึง37เข้าใจดีก็เริ่มต้นเป็นโลกุตระที่เป็นเทวานิยมก็คือสามเไม่ใช่เป็นเทวะเป็นอัเทวานิยมก็คือรู้จักเทวะอะเทวะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเทวะอัะแปบลบว่าไม่เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ปฏิเสธไม่มีเทวะ ไม่ได้หลงเทวะไม่ได้เข้าใจเทวะผิดรู้จักเทวะดีถ้าจะว่าจริงๆแล้วาศาสนาพุทธนั้นรู้จักเทวะเป็นาศาสนาแห่งเทวะโดยซ้าไปรู้จักสมุตติเทพสมุติเทวะรู้จักอุปัติเทพอุปัตติเทวะรู้จักวิสุทธิเทพ ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายเป็นเ ท, เทวดาบริสุทธิ์พุทธ่อมจริงรู้จักความเป็นมารเทวดามารพรมอย่างรู้ของจริงของแท้ของประมาิของจิตเจตสิกเลยเพราะโลกุตระต้องเข้าถึงจิตเจตสิกโลกนิพพานแล้วก็จัดการกับเทว ที่หลงผิดจนสุดท้ายเป็นเทวะสูงสุดแต่ไม่เป็นเทวะจะเรียกอะเทวะลงตรงนั้นก็ได้เป็นวิสุธทธิเทพแต่ไม่ยึดวัาเทพนั้นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรารเพราะฉะนั้น น, นี้สอ น, สอนไว้ตั้งแต่เมถุนสังโยคเจ็ด ยังมีคู่ไม่เป็นเอกไม่เป็นเอกโอกไม่ยังมีเพื่อนสองถ้าจิตยังมีเพื่อนสองหมายความว่าเรายังเป็นเทวะเมตุสังโยคข้อที่เจปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวะประพฤติปวงจันทร์โดยปรารถนาเพืเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้น นั่นคือยังไม่ศูญยังมีตัวมีตนยังมีอัตตาเป็นเทวะองค์ใดองค์หนึ่งก็ยังเป็นอาตมันยังมีอัตตาอยู่ยังเป็นเทวะอยู่เพราะฉะนั้นเป็นแม่วิสุทธทิเทพแล้วทสนะพุทธก็มายึดมั่นถือมั่นว่าดิเป็นเทพเป็นเราเป็นเทพไม่มีไม่ยึด จะวิเศษยังไงก็ไม่ได้ไปยึดปวะเว็เของวิเศษนี้เป็นเราเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ติดยึดอยู่กับอะไรหมดแต่รู้จักหมดรู้จักครบรู้จักท่วนรู้จักเทวดาท่วนแล้วเป็นเทวดาได้ท่วนแต่ไม่เป็นเทวดาเลยยวนจมัดเลยโพธิลักษ์เนี่ยพูดยวนกวนจริงๆพูดอะไรเป็นละก็มองไม่เป็น พูดยวนกวนจริงๆเลยอย่าหยาบคายนะกวนกวนจริงๆไม่ใช่กวนพูดเป็นโบหานภาษาฟังถึงสัจจะเป็นสัจจะที่สูงสุดนัานจึงเป็นเรื่องที่สูงสุดในความเป็นไปได้ขั้นเป็นเทวะแต่ไม่เป็นเทวะบรรลุถึงความเป็นเทวะ แต่ไม่ไม่ติดยึดในความเป็นเทวะก็รู้ว่าจะใช้สิ่งประเสริฐนี้ทำประโยชน์อะไรก็ใช้แต่จะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็เป็นสิทธิทสูงสุดจึงเรียกว่าอมตะ บ, บุคคลนะเป็นบุคคลที่เป็นอมตะจะตายจะสูญก็ได้ไม่สูญก็ได้นะจะตั้งจิตมึนอนอวโลกิเตศวนก็ทาไปนะจะอยู่จนกระทั่งรื้อคน คนสุดท้ายนิพพานหมดแล้วค่อยจะปฏินิพพานก่อนหวาบไปก็แล้วแต่ใครจะทำใครจะคิดคิดจะทำนั่นนันนีไหมมาโอ้ยชาวมหายานเขาเอานะชาวพวกจิตชาวมหายานนี่พวกเรามันเลือดเทวเรวาสเท่านั้นมันไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่ชาวมหายานนี่เขาโอ้โหโคายดมั่น เขามีจิตที่มุ่งยาวนานไกลนักสูงไกลมหายานมันมีลักษณะของอั ต, อตภาวะที่ต่างกันเพราะในลักษณะอนี่อัตมาเคยเอืเอนไว้เออว่าลักษณะของอัเทวะนิยมของพุทธศาสนานี่มีหนึ่งพลังอำนาจของอเทวะ นิยมคือกรรมนะ า, าขยายความอันนี้ไปต่อพลังอำนาจของอะเทวนิยมนี่คือกรรมเดี๋ยวอ่านไปครบส0บข้อนี้ก่อนสองอเทวนิยมเชื่ออนิจังอนัตตาสามอเทวนิยมสามารถดับภพบชาติได้อย่างสนิทบริบูรณ์ มีไหนๆเนี่ยอินเสิร์ออกมานี่ขาไหนอินเสิร์นี่ยขาโน้นหรืขานี้อยู่นี่มาจากไหนไม่มีแหล่งที่มาเอะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ฮะสรรค้าสร้างคนใช่ไหมอ่าถ้ามีในนี่ไม่รู้อยู่อันไหนหน้าไหนมีหรืออาตมาก็จําไม่ได้แล้วอ่าใช่ ไม่มีใครกล่าวไม่มีใครบรรยายหรอกอเทวนิยมเนี่ยนะอเทวนิยมเขาสามอทเท ว, วนิยมสามารถดับภพชาติได้อย่างสนิทบริบูรณ์เอาอันนี้ไว้อธิบายแล้วจะจะเข้าใจดีเลยนะจะจะจะจะจะชัดเจนมากสี่อเทวนิยมเชื่อว่ากรรมวิบากไม่เที่ยงแท้ตายตัวฮะโอ้เหรอ อเล่มนี้แหละมันมาหลายเล่มมันหลายพิมพ์หลายครั้งไงครั้งไหนครั้งไหนมันครั้งที่เท่าไหร่ฉบับครั้งเท่าไหร่หน้าสามสิบอ้าวแค่มีก็เปิดดูอเทวนิยมหน้าสามสิบทุกแล้วลักษณะของอเทวนิยมนะสอเทวนิยมเชื่อว่ากรรมวิบากไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายตัวห้า สุขของอเทวนิยมเป็นสุขแบบโลกุตระหกโลกของอเทวนิยมรู้รอบถึงขั้นดับวัตตะสงสารเจ็ดอะเทวนิยมมีลักษณะเข้าถึงขั้นอาริยะยิ่งมีคำว่าอาริยะนี่มันมีใครบัญญัติหรอโพธิสัตว์บัญญัติแน่นอน 8. ศาสดาของอเทวนิยมเป็นคนปกติสามัน 9. คุณวิเศษของอเทวนิยมคืออนุสาสนีปาติหาร 10. ที่พึ่งของอเทวนิยมคือกรรมหรือระรตนนตรัยนี่คือลักษณะของอเทวนิยม ของพุทธศาสนาลักษณะาอัตวณิยมของพุทธศาสนาเอาลรมาอธิบายไล่เริ่มต้นกันไปตั้งแต่คำว่ากรรมพลังอำนาจของอัตวณิยมคือกรรมกรรมการกระทำหรือการงานคำว่ากรรมคำนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ศาสนาเทวนิยมเขานับถือคำว่ากอศ นับถือคำว่าพระเจ้าใหญ่ที่สุดชั้นใดเป็นอํานาจใหญ่ที่สุดอย่างไรพุทธก็เห็นคำว่ากรรมใหญ่เหมือนพระเจ้าอย่างนั้นเป็นอํานาจบันดาลทุกอย่างอย่างนั้นคือกรรมศาสนาพุทธอเทวนิยมเนี่ย ที่นี้คําว่ากรรมของพุทธเนี่ยมันจะต่างกันกับคาว่ากอดหรือพระเจ้าของเทวนิยมตรงที่ว่าของเทวนิยมเขาไม่รู้จักกอดเขาสัมผัสกอดไม่ได้เขาจํานวนต่ออํานาจพิเศษนั้นแต่พุทธไม่จํานนต่อคําว่ากรรม ไม่จำนวนต่อคาว่ากรรมแล้วรู้จักคาว่ากรรมกรรมเกิดจากอะไรกรรมเกิดจากจิตจิตเป็นตัวตั้งเป็นมโนปุพังขมาธรรมามเป็นตัวที่มาก่อนอะไรหมดเพราะฉะนั้นกอดก็มาก่อนอะไรหมดพระเจ้ามาก่อนอะไรหมดในมหาจักรวาลนี้ และพระเจ้าก็สร้างทุกอย่างในมหาจักวาล น, นี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ย่นย่อมาว่ากรรมนี่แหละมาก่อนอะไดหมดสร้างทุกอย่างหมดพระเจ้าเป็นพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณกรรมก็เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นจิตนิยาม รู้จักจิตนิยามก็จะศึกษาเข้าไปหาจิตว่าในจิตนั้นมีกรรมเป็นพระเจ้ามีพระเจ้าคือกรรมทีนี้พระเจ้าคือกรรมนั้นถ้ากรรมนั้นกระทำโดยพระเจ้าปลอมเรียกว่าซาตานเรียกว่าผีหรือมาร เรียกเป็นภาษาวิชาการคืออวิชาถ้าอาวิชาเป็นตัวทำงานเป็นตัวกรรมเป็นตัวบรรดาลกรรมก็เป็นโลกีและโลกีเสียด้วยเป็นผีเป็นมารไปหมดเพราะว่าพลังงานที่ บันดาลให้เกิดสร้างให้เกิดทำให้เกิดนั้นเกิดชั่วเกิดเลวเกิดทุกเกิดเสียหายหมดเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงจับสาจับความสำคัญของสิ่งที่เป็นจุดสุดยอดของการเกิดในโลกได้พระเจ้าเป็นผู้สร้างการเกิด เพราะงั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องพยายามสร้างการเกิดเหมือนกันวิธีของพระเจ้าจึงเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าเมื่อสร้างการเกิดที่ชั่วหนักแล้วก็เรียนรู้ตัวหนักนี่ก่อนเพื่อทำลายมันอะไรเกิดขึ้นอันนั้นทําตับเหตุมันมันก็จะต้องดับนี่เป็นความรู้ของพุทธศาสนาทุกอย่างมาแต่เหตุเมื่อดับเหตุเสร็จแล้วทุกอย่างก็ดับ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ไอสิ่งไม่ดีก็ดับเหตุไม่ดีก่อนจนสุดท้ายแม้แต่ดีก็มีเหตุถ้าระดับเหตุอีกหมดแม้แต่ดีก็ไม่มีมันก็หมดทุกอย่างเมื่อไม่ดีดับไปหมดแล้วเหลือแต่ดีสัพพะปาปัสสะกระนังไม่มีแล้วเรื่องบาปเรื่องที่จะเป็นตัวภยัยตัวการใหญ่ บาปบุญเีหมดบาปหมดบุญแล้วเหลือแต่กุศลก็มีแต่ดีอยู่ไปอีกเท่าไหร่ก็มีแต่ดีแต่พุทธก็ไม่ต้องยุดดีไม่ต้องมีดีต่อศูนย์เลิกดีอีกนี่คือสุดยอดถึงสุดดีก็คือพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วศาสนาพุทธจับความจริงอันนี้ได้ว่าอ๋อจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็ความเป็นจิตวิญญาณก็ศาสนาไหนก็คิดก็รู้นี่ว่าจิตวิญญาณมีในมนุษย์มีในสัตว์มีจิตนิยามก็เรียนรู้กรรมนิยามต่อในจิตเพราะว่าจิตมันก่อกรรม มันมีกรรมเป็นเจ้าเรือนวิบากกรรมเป็นเจ้าเรือนที่ยึดติดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ซะอย่างละเอียดถึงความเป็นกรรมเพราะหลักเกณฑ์ของาศาสนาพุทธจึงให้เรียนรู้กรรมนะเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตรัสว่ากรรมเป็นของของตน เพราะฉะนั้นตนนี่แหละก็คือจิตวิญญาณตนนี่แหละคืออาตมันตนนี่แหละคืออัตตาเพราะยึดตนแล้วก็ให้ตนนี่แหละพาทำแม้ที่สุดเราเป็นพระ อ, อรหันต์เราบรรลุแล้วเราเป็นอรหัตตาแล้วไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาแล้ว ทำลายอัตตาที่เลวร้ยรายได้หมดแล้วก็อาศัยอัตตาอยู่เรียกว่าอารหัตตาจนกระทั่งอัตตาสูงสุดนี่แหละเรียกว่าอารหันติสุดยอดแล้วในความไม่ลึกลับในความเป็นอาตามันแม้แต่ประมาตตมันแม้แต่พระเจ้าแม้แต่ก็ศก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมไมลึกลับอรหันตนี่แปลว่าลับแปลว่าไม่ลึกลับ ระหะระโหนี่แปลว่าลับยังลึกลับยังไม่รู้เรื่องยัง ม, มันนึกลับอยู่อะระหะเขาแปลว่าไม่ลึกลับแล้วอันนี้แหละป ร, ะริยนต่างๆนานาป ร, ริยนก้าหรือว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรทางบาลีทางศาสนาเขาไม่รับอัตมาแปลคำนี้หรอก เพราะเขาไม่ได้เรียนกันถ้าเขาเรียนกันมาดีนะถ้าเขาเรียนได้เขาใจความหมายนี้ <_ t oss> เขาก็แปลว่าผู้ไกลกิเลสอรหันอรหังอรหะเขาก็แปลผู้ไกลกิเลสไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสมันจะไม่ผิดตรงไหนลรอมันไม่ผิดเลยก็คนที่เป็นอรหรันแล้วไม่มีกิเลสแล้วไกลาจากกิเลสแล้วก็เป็นผู้ไม่ลึกลับในกิเลสแล้วก็ถึงทำลายกิเลสหมดแล้วกิกเลสก็ไม่มีในตัวกาจัดหมดแล้วมันก็ไกลเลเข้าไม่ เข้าหน้าไม่ติดรอหน้าไม่ติดเลยกิเลสน่ยเพราะท่านมีแสงโฮกวงเข้ามาสิโดนแสงของพระอาหารหันต์เลยเข้าได้ทิงไง น, นี่ก็พูดเป็นโบหานให้มันเข้าใจชัดๆไปทางนั้นมันเล่นๆแต่ไม่เป็นสัจจะมันมีพลังอย่างเต็มที่เป็นตถตาเป็นความเป็นอย่างนั้นเองเลยเป็นมีสิ่งนั้น จริงเป็นพลังของอำนาจทางจิต <c oughs> มาเริ่มต้นตังกรรมมาสกะกรรมเป็นของของตนอำนาจของอภัยวะนิยมจึงคือกรรมหรือกรรมอธิบายไปแล้วกรรมก็คือเจ้าตัวอัตตาเมื่อทำกรรมใดก็เป็นของของตนเป็นตน กรรมจึงคืออัตตากรรมจึงคืออาตมันเพราะฉะนั้นจึงควรทำและต้องทำนะต้องใช้ว่าต้องทำเลยนะจะต้องใช้เป็นคำ must ก็ได้นะ ไ, มไม่ใช่ have to นะไม่ต้องไม่ใช่ have to ใช้ must เลยต้องทำใครไม่ทำก็แล้วไป แต่ศาสนาพุทธไม่บังคับไม่เป็นศาสนาที่จะใช้คบาบังคับใช้อานาใช้คมานไม่ผดเด็จการเด็ดขาดเพราะงั้นใครสมัครใจก็มาปฏิบัติเอาสรุปแล้วอธิบายมาถึงขนาดนี้แลก ร, รมก็คืออัตตาอัตตาก็คือกรรมหรือกรรมก็คือพระเจ้าพระเจ้าก็คือกรรมัมผู้ที่บรรลุ สูงสุดในอาตามันก็สูงเป็นปรมาตามันเป็นบรมอัตตาทําอัตตาของเราให้เป็นบรมอัตตาได้ก็คืออรหัตตาเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วเป็นบรมอัตตาเรียกว่าปรมาตามันตามภาษาเสัซคลิตตามภาษาบาลีก็บรมอัตตาเนี่ยปรมัตานะปรมาถะปรมัตานี่แหละ ก็เป็นอัตตาที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ลึกลับแล้วรู้แจ้งหมดแล้วอัตตาเพราะจะจะอยู่ก็อยู่อย่างอาศัยอัตอตาไปเท่านั้นเองเป็นเครื่องอาศัยทําประโยชน์ให้กันโลกอยู่ไปก็เป็นผู้ที่มีคุณค่าเป็นพระผูชนะเหตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเท่านั้นเองตับใช้โลกไปจนกว่าจะพอใจ ใครจะรับใช้อยู่นานเหมือนพร ะ, พระอวะโลกิเตสวนก็เชิญาอาตมาก็ขอรับใช้โลกไปทำเป็นนายกสักสมัยหนึ่งก็พอแล้วไม่รู้จะเป็นได้เปล่าไม่รู้นะแต่ก็ภาคเพียรอยู่ก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออก็พอเห็นรายรารางรแต่ก็จะภาคเพียรไป ไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าจไม่ให้ประมาททำไป ม, มีอุปศักอะไรอแอะไรไปก็ว่ากันไปอุปสรรคอะไรต่างๆ น, น, นาๆสารพัดอัอตมาก็ไปโทษนั่นโทษนี่โทษเครื่องโทษอะไรวันนี้เนี่ยเขียนหนังสือตั้งแต่ตีสี่มยันจะออกมาเนี่ยเครื่องเสียมันเสียหมดเลย เขียนโอ้โหเขียนมันดีนะวันนี้โอ้โหละเอียดลึกซึ้งดีมากเลยได้ห้าหกหน้านะเขียนตั้งแต่ตสยันเย็นเนี่ยได้หาไม่ถึงสิบหน้าหรอกได้ไม่ถึงสิบหน้าจะ ก, กี่หน้าไม่รู้นะเขียนมันเสียมหมดเลยต้องมานั่งกุมกําหมัอต้องมานั่งเขียนใหม่ แต่ดีว่าเขียนหัวข้อไว้แต่คืออาตมาแยกสารบัญไว้แล้วก็หัวข้อก็แยกเอาหัวข้อมาไว้หัวข้อไว้เขียนอะไรไปแล้วหัวข้อหัวข้อหนึ่งหัวข้อหนึ่งมันจะมีประมาณหน้าหนึ่งสองหน้าอย่างมากบางทีก็ครึ่งหน้าบางทีก็เกินครึ่งหน้าหัวข้อหนึ่งเพราะั้นสามสี่หัวข้อมัก็ประมาณไม่ไม่ถึงสิหน้าก็ราวๆนั่นแหละเขียนตั้งแต่เช้า ตีสี่อยู่ตั้งเย็นนี่เลยเสียหมดเลยอ๋ออันนี้เราไปปรับไฟใหม่เลยได้ไ่ยว่ามันเป็นอะไรมันเ อ, อเร่ออะไรมันเสียอะไรถ้าคืนดันตัวแงเคนต่อไปเนี่ยมันพังอีกตายเลย <c oughs> เคียนไปแล้วก็เสียอีกเสียอีกก็ตายเลย <c oughs> ดีแต่ว่าอาัตาม์บ๊อกซี่ไว้เรื่อยนะเขาปี้ขนาดก๊อปปี้ไว้นี่นก็เสียแล้วนะไอ้ก๊อปปี้เดียวกันนะไอ้ก๊อปปี้รองเนยเสีย ต้องไปคนมาจากถังขยะดีว่ามีถังขยะทิ้งไว้นะมันก็เลยไม่หมดทั้งเรื่องมันก็เลยโอ้ก็จึงมารู้ว่าเราถ้ามันหายไปหมดนะมันไม่เหลือเลยมันไม่เห็นอะไรเลยมากับมาดูไอท้ที่ไอขทีทลืและเทียบกับสารบัญที่เราโน้ตไอตัวหัวข้อไว้จึงรู้ว่าโอ้โหเนื่อเค็บไปกี่ข้อ จึงรู้ว่าเอาเขียนถึงนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มตรงนี้ได้หรือจากทังขยะมาก็ยังมีดีอยู่ที่ทังขยะไ อ, ขอ้ของเก่าที่พอเสร็จแล้วแล้วก็คัปปีใหม่คัปปี้ไว้แล้วก็เอาทิ้งเอาลงอาธิการก็เอาทิงาท้งทังขยะไว้ดีว่ายังไม่ไปทำลายทังขยะทิง้งเอาทังขยะไปเทเทศบาลยังไม่มาเอาไปกระบุญแล้ว เบามาเอาไปก่อนอาตมาเจงเลยโอ้แต่ส่งไปแล้วละร้อยสาสิบหน้าส่งไปให้ทางกองนาธิการก็รยหน้าก็ประมาณเขาถามมาวันนี้ก็ถามมาว่ามันตกลงมันจะเท่าไหร่เาจะไปขอไอ้อะไรเขาว่าไอ้อะไรไอ้ฮะไอ้ไอนบก็นกะาจะไปขอมันประมาณเท่าไหร่อาตมาาสักประมาณ300รอหน้า นี่ส่งเข้าไปแล้วร3 0ยสนี่ก็ยังไม่ถึงร5 0 1ห0ยังไม่ถึงร6 0เขียนไปเกือบถึงร6 0แล้วมันมาเสียอยู่ระหว่างร4 5 4ส 4.9 สุ 9. ประมาณนั่นแหละสิ4หกี่เเ้ไปถึงหาเอไเอไม่ไปถึงร6 0ช่วงนั้ น, นประมาณช่วง อันนี้ก็มันก็เป็นที่บากมันเมื่อย ม, มันไม่ง่ายเขียนโอ้ทวนแล้วทวนอีละละเอียมันยากเอามาร้อยเรียงถ้าจะเขียนเหมือนเดิมมันก็ไม่รู้จะไปเขียนทําไมก็เขียนเดิมเขียนมาเยอะแล้วมันใหญ่ก็เยอะแล้วมันก็เขียนรายละเอียดต่อไปอีกมันทึกไว้มันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเชื่อว่านะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตจะไดเอามาใช้เป็นสิ่งที่มือนก็ อัตถกถาจาร์ทั้งหลายแหละที่ท่านทำเอาไว้นั่นแหละนั่นก็เป็นประโยชน์อาตมาก็ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์เนื่องงั้นในเรื่องของกรรมก็สรุปว่านี่เป็นเรื่องอัตเทวนิยมหรือศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจเทวะไม่ได้สงสัยในเรื่องเทวะอัะเทวะนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเทวะเทวะก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีอะไรก็ตามเถอะ หรือกอพระเจ้าต่างๆเนี่ยคือจิตปิญญาศาสนาไหนก็รู้ว่าเป็นพระจิตปิญญาเขาก็เรียกพระจิตพระจิตพระปิญญาเป็นพลังงานชนิดหนึ่งมีอำนาจมีฤทธิ์แรงมีคุณค่ามีคุณธรรมสูงสุดรู้กันทั่วโลกศาสนาไหนก็รู้แต่ศาสนาเทวนิยม เขาไม่รู้จักความจริงของจิตวิญญาณชัดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธที่เป็นโลกุตระนั้นจึงเป็นศาสนาที่ต้องรู้จักจิตเจตสิกต้องรู้จิตรู้วิญญาณอ่านจิตวิญญาณออกสัมผัสจริงเพราะฉะนั้นเริ่มโลกุตระจึงเริ่มที่สัมผัสรู้ องประชุมของรูปและนามสิ่งหนึ่งคือรูปสิ่งหนึ่งคือจิตวิญญาณทีนี้จิตวิญญาณจะเกิดได้ก็จะต้องเกิดจากธาตุของในตัวของคนที่มีจิตนิยามสัตว์โลกมีจิตนิยามแล้วและจิตนิยามนั้นต้องมีบารมีมีภูมิธรรมสูงจนกระทั่งจะศึกษานี้ได้เป็นเวนัยสัตว์เป็นสัตว์ที่ เรียนรู้อันนี้รู้เรื่องรู้ว่าจิตเป็นเช่นนี้จิตนิยามเป็นเช่นนี้ต่างจากผีชะนิยามอย่างไรต่างจากอุตุนิยามอย่างไรศาสนาเทวนิยมรู้ว่ามีจิตนิยามมีจิตแต่ศาสนาเทวนิยมนั้นไม่กระจ่างในจิตสองไม่กระจ่างในกรรมหรือไม่กระจ่างในกอด ไม่กระจ่างในพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นศาสนาเทวนิยมจึงเรียนรู้แต่ไม่ใช่เรียนเรียนเรียนเหมือนกันแต่เรียนไม่ข้ามเรียนข้ามไปสู่กรรมนิยามไม่ได้รู้ว่าม่มีกรรมแต่ไม่กระจ่างในกรรมรู้ว่ามีกอดแต่ไม่กระจ่างในกอด รู้ว่ามีพลังงานอันหนึ่งเป็นพลังงานวิเศษเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ไม่มีผีเป็นพลังงานที่ไม่มีพลังงานอากุศลไม่มีพลังงานกิเลสหรือไม่มีพลังงานบาปรู้แต่ไม่ละเอียดพอไม่มีปรมาถธรรมไม่รู้จักกรรมมณียาม เพราะฉะนั้นจึงสร้างให้เกิดธรรมนิยามที่เป็นธรรมะทรงไว้ซึ่งสิ่งสุดยอดแล้ยว่าโลกุตรธรรมธรรมะสุดยอดคือโลกุตรธรรมหรือปรมัตธรรมปฏิบัติทำให้จิตปิญญา น, นั้นจิตนิยามนั้นซึ่งในตัวเราเนี่ยในศาสนาเทวนิยมก็พูด บอกว่าเราใครกันแล้วแต่ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าหรือได้มีส่วนไปอยู่กับพระเจ้าดีที่สุดพระเจ้าท่นคำสอนเขาก็ทำตัวเองให้ดีที่สุดตามคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ทำให้ดีสุดแล้วเขาจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่เขาไม่สามารถรู้ว่าและไอตัวที่มันไม่ดีนะ่ะ มันคืออะไรเขาไม่เรียนเขาเรียนความดีแต่เขาไม่เรียนความไม่ดีไม่เรียนความไม่ดีนะศาสนาเทวนิยมนี่มืนความไม่ดีทิ้งความไม่ดีเก่งอย่างเดียวทิ้งความไม่ดีแต่ของศาสนาอเทวนิยมหรือพุทธนั้นไม่ทิ้งความไม่ดีจับหน้าความไม่ดีละ เอาหัวใจความไม่ดีมาเฉือนในสลายตายไปเลยจนหมดในจิตวิญญาณจนหมดในความเป็นจิตนิยามเฉือนหัวใจของเหตุในความไม่ดีจนดับหมดเอาจริงเอาจังตรงนี้เพราะยศศาสนาพุทธจึงเศาสนาไม่มีสเสน่ห์เพราะพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีแล้วให้ทำลาย สิ่งที่ไม่ดีและไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ยอดรักของแต่ละคนสิ่งที่ไม่ดีนี่อยู่ที่ยอดรักของแต่ละคนรักมันจังเลยฟังแล้วปฏิเสธไหมเออพวกเรานี่เข้าใจดีโอโหรักอะไรไม่รักอะไรยักรักยอดหัวใจสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือไอ้ตัวเหตุปัจจัยกิเลสเนี่ย ตัวเหตุปัจจัยที่มันพาทุกพาร้อนพาเป็นผีนี่แหละรักมันจังเลยมันศาสนาพูดจะไม่ศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์นะไอศาสนาที่เอาความจริงมาตีแผ่ฉีกหน้ามนุษย์ฉีกหน้าสัตว์โลกโดยเฉพาะผู้ที่เรียนรู้ผู้ที่ไม่เรียนรู้ก็ไม่สนใจหรอกค่าวในพวกนี้ไม่สน เขาเไปเข้าไ ป, าไปนี่มันเราสามารถที่จะเรียนรู้กรรมได้ก็เป็นคนที่มีนิยามถึงขั้นกรรมมณิยามเมื่อปฏิบัติธรรมนิยามสูงสุดเป็นโลกุตระสุดก็ส่งไว้ซึ่งโลกุตระเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมะคือสิ่งที่ส่งไว้ นะหมดอะธรรมไม่มีสิ่งที่ไม่ดีทรงไว้ซึ่งไม่ดีไม่มีมีแต่ทรงไว้ที่ดีหมดจึงเรียกว่าปรมัตถธรรมธรรมะที่สุดยอดเลยปรมัตถสูงสุดหรือโลกุตรนะสรุปแล้วพลังอำนาจของอัเทวนิยมคือกรรมเพราะฉะนั้นพลังอำนาจของเทวนิยมคือก้อดคือพระเจ้า แต่พลังกำนาจของอเทวนิยมดวงพุทธนั้นคือกรรมน้านี่เอาผ่านข้อนหนึ่งข้อสองอเทวนิยมชื่อเชื่ออนิจจังอนัตตาก็ต้องปฏิบัติต้องศึกษาอย่างจริงเลยเห็นความเป็นอนิจจังแล้วก็เกิดจิตวิญญาณที่มีปัญญาที่จะ โอ้ชัดเจนในเรื่องของความเป็นเนริจจังจึงไม่ใช่หมายความว่าเข้าใจตื้นตื้นจะ ต, ต้องเห็นความปฏนเนริจจังจริงๆว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลมันเป็นเรื่องยึดเอาไม่ได้มันไม่เทีย่ยงจะเห็นได้ในปัตตพิฎกเยอะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอันนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วควรยึดหรือควรไม่ยึด มยึดเข้าบรรลุเลยพอลองก็พูดไปเถอะอ่านไปเถอะท่านโต้กันอยู่ในพระ泰พดกเลยเยอะเลยพอนัะพูมีบรารมีบอกท่านกันไล่ไปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะแล้วไม่เที่ยงแนละ้วมันเป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์แล้วมันควรยึดหรือไม่ควรยึดนะไม่ควรยึดพระเจ้าค่ะ คือเราเข้าใจโวหารภาษามันก็เข้าใจเข้าใจนะแต่กว่ามันจะมีญาณเข้าไปเห็นอนิจจังเป็นอนิจจานุปัสสีมองตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของโลกีอั น, นี้ไม่เที่ยงหรอกเนี่เนี่ยอย่างเงี้ยโหกองกองดูสวยดูงามนี่โอ้โหไปเอามาจากไหนในหลอมกองสวนไหนเนี่ย นะสวนตลาดนะสวนสัมปะโตงเหรอใช่ป่ะใครเอามาคือเดี๋ยวนี้มันมันสวนตลาดมานะสวนตลาด เอาละก็ถามไปเพราะพวกเราก็ถามดูนะเพราะพวมีทั้งของที่มา ต, าตลาดแล้มีทั้งของเราอ่าตอนนี้ก็ดูโอ้โหดูสวยดีดูอะไรดีๆอยู่ก็ทุกอ่านี่มันก็ไม่เที่ยเนี่ยปล่อยไว้ที่เนี่ยปล่อยไว้ที่ที่ไปเฉยๆนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเดียวกันหนาเดียวก็เสื่อมนึกอะไรไปนะอ่าจริงๆมันก็ไม่ถึงหน้าหรอกเดียวมันก็ไม่เที่ยงเดียวมันก็ถูกใครเขากินไหมนะ เห็นง่ายวัตถุข้างนอกอะไรก็ไม่เที่ยงเห็นง่ายนะแต่แต่วัตถุไปของหยาบไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่มันเป็นดินน้ำไฟลมถ้าดินก็นานหน่อยน้ำก็เคลื่อนไหลไปก็ไม่ขอยจะอยู่กับที่แล้วก็เลวเวเละไหลไปไฟก็ยิ่งจับไม่ติดเลย ร้ อ, อนๆแล้วก็หนาวหนาอะไรพายไปลมก็อ๋อยี่เคลื่อนอยู่ตลอดเลยลมก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่เห็นมันเที่ยงเลยอะ อ, ะ อ, ะอะไรมันก็ไม่อยากเดินทางมหาภูตรูปก็มาเรียนไล่ขึ้นมาเลยเรียนรู้เลยว่าคุณจะต้องถูกรู้จะต้องรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นรู้แล้วก็มันก็เกิดไปเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ก็จะต้องศึกษาจิตวิญญาณนี่แหละละเหตุในจิตวิญญาณนี่แหละมีอวิชชาหรือมีเจ้าตกการคือผีสตารนคือตัวเหตุที่พาให้เราวนเวียนพาให้เราทำชั่วมันมีทั้งพาให้เราวนเวียนมันผีทั้งเราทำชั่วทำเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเลวร้ายอะไรก็นแล้วแต่ก็อ่านเหตุพระพุทธเจ้าทึงตรัสรู้สิ่งที่เป็นเหตุอย่างชัดเจน จึงมีวิธีให้ศึกษาว่าคุณต้องมีหนึ่งเมื่อคุณมีตัวจิตอยู่ที่เราก็จะต้องทำจิตนี้ให้เกิดกรรมเกิดกิ ร, ริยาเกิดหน้าที่ของการงานของจิตเรียกว่ากรรมหน้าหน้าที่ของการงานของจิตคือทำงานจิตมันก็เป็นพลังงานมันก็ทำงาน เพราะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมันปล่อยให้มันเกิดมาเคลื่อนไหวถ้ามันไม่เคลื่อนไหวมันเป็นพลังงานนิ่งมันก็อ่านยากรู้มันไม่ได้กบดานอยู่เป็นอนุัยเป็นอาสวะนิ่งแต่มันก็ทำงานอยู่ลึกอยู่ใต้ก้นบึ้งเพราะวิธีปฏิบัติของพระเจ้าจึงไม่พยายามดิ่งก็ไปหาก้นบึ้งโดยไม่มีฐานตามเข้าไปท่านถึงให้สอเนี่ยมารู้ตั้งแต่ข้างนอก ตามโอราริกะอัตตาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไปตามมนโนมยอัตตาจึงไปถึงอรูปอัตตาสุดท้ายซึ่งวิธีทาก็คือให้มันมีการคุยออกมาจากข้างในคุยออกมากระทบออกมาแล้วก็ฆ่ามันไปกําจัดมันไปกําจัดมันไปจากโอราทิกอาอัตตาในกามพบต้องออกมาปฏิบัติ ต้องมามีวิสัยต้องมามีบทบาทต้องมาเป็นดำเนินการอยู่เรียกว่าอาวจรเพราะฉะนั้นมันจงมาจะแสดงบทบาทอยู่ข้างนอกนี่อวจรกระทบมันจะแสดงก็ต้องกระทบเมื่อกระทบแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นอบายก็ค่อยๆฆ่าไปกำจัดไปแล้วก็จะฆ่าได้ก็ต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันพาเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ นกว่าคุณจะเห็นดนญาณปัญญาโอ้นี่นะไปทำทุจริตอย่างนี้ไปหลงติดหลงยึดอยู่อย่างนี้ติดลาบติดยดติดสนเสิร์นติดกามก็คืออัตตานะแน่ลรวมแล้วที่จริงมันก็เป็นตัวตนเป็นอัตตาทั้งนั้นแหละก็ไล่มาตั้งแต่กามตาหูจมูกลิ้นกายกระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อตราบใดที่เรามีหนึ่งประสาทสองให้มันดำเนินไปเรียกว่าโคจระจึงต้องรู้หนึ่งประสาททำงานเรียกว่าประสาทรูป5้าตาหูจมูกนิ้กายให้มันเอาว่าทำงานเรียกว่าโคจร ะ, ห, ะหรือวิสัยของจิตเรียกว่าวิสัยวิสัยรูปวิสัยรูปก็ได้โคจรรูปก็ได้อีกหกระทบกัน แล้วมันก็จะเกิดงานเกิดการทํางานขึ้นมาเรียกมันว่าจิตเรียกมันว่าวิญญาณเรียกภาษาเป็นไวยพจน์กันเรียกว่าโมโนจิตแต่เรียกกลางๆกงคือเรียกว่าวิจิตประทำงานจริงๆเรียกว่าจิตวิญญาณเรียกเป็นอง์รวมแล้ววิญญาณมันก็มาทําเป็นเจตสิกสาเวทนาสัญญาสังขานรนั่นแหละเป็นที่พระเจ้าท่านแจกไปหมดแล้วอาตมาไม่มีปัญญาไปแจกหรอก วิธีปฏิบัติจึงต้องรู้รูปต้องกระทบสัมผัสตั้งแต่รูปที่ท่านบรญจัิไปเลยว่าภาษาทรูปห้าโคจรรูปอีกหเมื่อกระทบสัมผัสกันก็เกิดภาวะรูปภาวะรูปก็มีทั้งอิทธิภาวะและปุริสภาวะอิทธิภาวะก็คือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นสองอิทธิยังมีสอง ยังไม่นิ่งยังไม่หนึ่งยังไม่เอกปุริสภาวะถึงจะเป็นเอกเรียกว่าเอกกับุรุษภาษาไทยเราก็มาใช้อย่างเทพเลยเอกกบักบุรุษเอกปุริสะเป็นถึงเพราะเขาจะต้องจัดการกับสิ่งที่ยังเป็นภาวะยังไม่หนึ่งเดียวยังมีเพื่อนสองไม่ได้ต้องเลือหนึ่งเดียว เอกคตาเอากคตาต้องดำเนินค ข, ขตาเนี่ยเอกคตายิ่งใหญ่ดำเนินไปจิตหนึ่งเดียวได้สูงสุดเมื่อจะเรียนรู้ให้จิตสูงสุดเป็นหนึ่งได้นี้ก็ต้องรู้รูปทั้งหมดที่กระทบรู้ต้องสัมผัสรู้เพราะฉะนั้นจึงต้องสัมผัสทั้งหมดกราทั่งตราวิโมกแปดขึ้นมา ต้องสัมผัสวิโมก8ออกมาประชุมให้รู้ทั้งไอประชุมนี่ก็คือมีทั้งนอกและในแล้วก็เรียนรู้ทั้งสิ่งที่กระทบสัมผัสอยู่ทั้งนอกและในนี่แหละวิโมกข้อสองอจตังรูปะสัญญีเอโกพระหิทธารูปานิปัสสติพระหิทธาก็คือข้างนอกอัจตังก็คือข้างใน ส, ญญสัญญาสัญญาเราความรู้สึกมีความรู้สึกรู้สึกได้ต้องทำความรู้สึกหรือสัญญาสัญญีก็คือจะมีความรู้สึกก็ต้องทางานสัญญากำหนดหมายขึ้นมาตัวเองสัญญาเองตัวเองทำสัญญาตัวเองตัวเองสัญญงตัวเองมีความรู้สึกเองก็ต้องให้จิตมันมีการทำงานสัญญาเมื่อการทำงานแล้วมันก็จะได้รู้อนอื่นไปอีกมีหน้าที่ที่จะรู้ทั้งความจาคน <st> ้นลงมาจาก หรือปัจจุบันนี้จะไปกําหนดรู้อะไรก็สัญญาทางนั้นนาะรทำงานเมื่อมันสัญญากําหนดรู้ทั้งภายนอกภายในได้จนกระทั่งตั้งแต่กามาพบรูปรพบอรูปรพบกามก็ถูกรู้โดยอัตตาอย่างหยาบโอราธิกอัตตามันเกิดเป็นวิญญาณหยาบตัวตนหยาบข่าเหตุตัวตนได้ข่าหมด ตัวจิตวิญญาณที่ไม่ดีนนะเป็นซาตานเป็ น, าา น, ปนผีเป็นมารมันก็สิ้นไปจากจิตเราสะอาดไประดับหนึ่งการสะอาดจากผีตายไปสิ้นเราค่าผีตายไปแล้วนี่ไม่ต้องหลับตามไม่ต้องหนีจากโลกที่มันมีผีเพราะผีมันทำอะไรเราไม่ได้กิเลสมันเข้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่จาเป็นจะต้องหนีไม่จาเป็นจะต้องหลับตาในโลกนี้มีอบายในโลกนี้มีอบายของลาบอบายของยศ อ, อบายของสันเสริญอบายของรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอบายก็คือต่าคือเสื่อมมันมีเสื่อมของลาบเสื่อมของยศไม่จะว่าเสื่อมหรอกบอกมันชั่วมันมี ลาบชั่วชวยศชั่วชัวสรรเสริญชั่วชวรูปชั่วชั่วรสชั่วชั่วติณช่วชั่วมันเป็นผีอ่ะมันชั่วคือมันผีมันไม่ดีอ่ะมันหลอกเราอ่ะมันให้เราหลงว่ามันต้องมีมันต้องได้มันถึงจะสุกถึงจะอร่อยถึงจะเป็นตกูของกูถ้าไม่มีตกูของกูไม่ได้เสพ ม, มาเป็นของกูไม่ได้มาสัมผัสมาเป็นตุกขแล้วก็มาเป็นของกูแล้วก็มันก็ไม่ได้ นั่นแหละสรุปและล่างมันตั้งแต่อบายออกไปไม่ต้องหนีกระทบสัมผัสอีกก็มีที่เหลือก็ไล่อีกไล่ฆ่ามันอีกทั้งตาหูจมูกลิ้วกายในระดับสกิทาคามีก็ฆ่ามันอีกฆ่ามันอีกฆ่ามันอีกจนหมดอีกสกิทาคามีผีสกิทาคามีจิตวิญญาณอคุสลของจิตวิญญาณหมดอีก ก็ลืมตาอยู่นั่นแหละพระอนาคามีก็อยู่ก็ลาบยศเสื่อนลกียสุคนี่แหละใครเป็นผู้มไม่มีภูมิคุ้มกันลาบยศเสื่อนก็เล่นงานคุณแต่เป็นผู้ที่ฆ่ากิเลสจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยยุ่เนื้อมันจริงๆเลยมันเล่นงานไม่ได้แลวเราก็ไม่มีขบวไม่เป็นขบวเป็นของแทอยู่เนื้อมันจริงๆแล้วก็ไม่เป็นธาตมันจริงไม่ต้องหนีเลย จึงต้องมีกายมีองค์ประชุมของตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสทุกอย่างแล้วก็ตรวจกิเลสตามวิโมกไปจนกระทั่งถึงสัญญาเวทิจิตะนิโรธดับกิเลสหมดเป็นรูปฌานตรวจอีกอรูปฌานในวิโมก8จนหมดไม่เหลือเศษส่วนเลยสัญญากำหนดรู้หมด แม้เนวสัญญาสัญญาที่จะบอกว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้เพราะฉะนั้นนานัตตะสัญญากำหนดรู้ตั้งแต่อัตตานานัตตะก็คืออัตตาต่างๆนานัตตะอัตตาต่างๆกำหนดรู้มาหมดแล้วมันจะเหลือเศษที่มันยังไม่รู้ว่ามันก็จะรู้นะมันเกิดมันยังไม่รู้เนี่ยไม่ได้เนวสัญญาเป็น เหลือเจ้าไอเนวะนี่คือเจ้าว่าไม่ก็ไม่ใช่เจ้าว่าไม่ใช่ก็ใช่คนจึงเข้าใจไม่ได้ถึงสภาวะก็เลยได้แต่พยัญชนะที่แปลวันเนวะสัญญาไปแล้วว่าเจ้าว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เจ้าว่าใช่ก็ไม่ใช่อะไรอยู่งั้นเนี่ยเขาก็เลยมีแต่พยัญชนะอยู่ง น, นั้นแล้ก็เดากันไปส่งๆจริงๆก็คือ คุณจะต้องเหลือเศษส่วนสิ่งที่ไม่รู้สุดท้ายคุณต้องกำหนดรู้คุณต้องอ่านรู้คุณต้องปฏิบัติตรวจสอบให้หมดเลี่ยงเลยไม่มีอะไรเหลือที่ไม่รู้จึงจะชื่ออปูพนความไม่รู้อวิชชาสวะหรืออวิชานุัยหมดเลี่ยงในตัวปลายของกิเลสสุดท้ายอวิอวะหรืออนุสัยจนพน้นอวิชชาสวะหรือพน้นอวิชาหรือพ้น นั่นแหละอวิชานุสัยหมดไม่มีเกลี้ยงจึงถือว่านิโรธสูงสุดด้วยสัญญากําหนดรู้ผ่านเนวัสัญญานาสัญญายาตนะสัญญากําหนดรู้เพื่อพิสูตรลืมตานี่แหละมีกายมีการสัมผัสรู้อยู่ตหมดท่านถึงกําชับว่าต้องรู้วิโมกข์แดด้วยกายด้วยองค์ประชุมหนีจากองค์ประชุมไม่ได้ องประชุมอะไรองประชุมของรูปกำน้าองประชุมของตาหูจมูกลิ้นกายองประชุมของภาษาทรูปกับโคจรรูปจนรู้ครบหมดเลยทั้งรูปที่แปดเนี่ยรู้จนกระทั่งสามารถทำให้จิตของเราอยู่กับรูปต่างๆอาศัยรูปต่างๆอาศัยรูปต่างๆก็อาศัยไม่ได้ติดที่เราเป็นเราเลย จึงพ้นรูปูปาทานักขันทะหรือรู ป, ปูปาทานักขันโทอุปทานยึดในรูปว่าเป็นเรามันรูปทั้งหลายแหละนี่รู้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรรูปทั้งนั้นเลยอาหารรูปเพราะทำชีวิตชีวิตชีวิ ต, ตรูป ความเป็นชีวิตของรูปความเป็นชีวิตของรูปอะไรรูปสัตว์สัตว์อะไรถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนาสัตว์ศัตโตสุดท้ายเลยของสัตว์ว่าก้าวสัตว์วาก้านี่มีสูงสุดก็ มีเป็นความเป็นสัตว์กนันนวัสัญญานาสัญญาจัตนาสัตว์สัตว์ตัวที่เกก็จัดการกําจัดสัตว์ตัวที่9นี้ตายเกี้ยงไม่เหลือสัตว์สักตัวสัตว์แล้วเพราะสัตว์ตัวที่หนึ่งสี่ห้าฆ่ามาหมดแล้วในจิตเราจึงเป็นผู้พ้นความเป็นสัตว์ไม่ถูกผูกด้วยความเป็นสัตว์ ไม่ถูกผูกไว้ด้วยความเป็นสัตว์พ้นสังโยชนพ้นความเป็นสัตว์รู้จักความเป็นสัตว์อย่างแท้จริงเพราะงั้นจึงเป็นผู้ที่หมดคําว่าตนคําว่าตัวตนคําว่าอัตตาหรืออาตามันหรือปรมา ต, ตามันหมดดับไม่เหลือ อัธิวัตยมเชื่ออันนิจจังไม่ใช่เชื่อเพราะฟังใครมาเชื่อเพราะตาราเชื่อเพราะคนอื่นเชื่ออย่างกาลามาสูตรไม่ใช่ไม่เชื่อแม้แต่พระพุทธเจา้าหรือครูของเราแต่เชื่อเพราะเราบรรลุเองเห็นเองมีสิ่งนั้นเองโดยไม่ต้องเชื่อใคร มันรู้เองไม่ต้องเชื่อใครเป็นของตนเองชัดเจนแล้วอ้ออันนี้ที่ต้องเชื่อเพราะมันตรงกันกับที่ท่านก็เป็นน่ะของท่านก็เป็นของเราก็เป็นอันเดียวกันตรวจกันแล้วของพรุทธเจ้าของเราเนี่อรหันเหมือนกันเลยไม่มีกิเลสตัวนี้เหมือนกันไม่มีกิเลสเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่เชื่ออานิจจังอนัตตามันไม่มีตัวตนแล้วก็เชื่อแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็อยู่กับความไม่เที่ยงตลอดไปเพราะฉะนั้นตัว ลักษณะรูปอันสุดท้ายจึงอยู่กับอนิจจตาลักษณะรูปตัวที่28หรืออุปาทายรูปตัวสุดท้ายอนิจจตาอุปาทายรูปตัวที่24ิอนิจจตาก็อยู่กับอนิจจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกยึดมั่นถือมั่น อ, อะไรได้ไม่ใช่ภาษาพูดเลย มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเหตุปัจจัยมันเป็นงั้นงี่แล้วก็มันก็เป็นไปของมันนะเพราะนัเราก็จะต้องจัดการนะให้มันบรรลุอเทวนิยมที่เชื่อถึงขั้นอนัตตาให้ได้3อเทวนิยมสามารถดับภพบจบชาติได้อย่างสนิทบริบูรณนะ์อเทวนิยมสามารถ ดับพบจบชาติได้อย่างสนิทบริบูรณ์พิสูนได้เลยซึ่งอัตมาอธิบายอยู่พบคืออะไรชาติคืออะไรปฏิจสมุปบาทนั้นชัดเจนเรียนรู้ในปฏิจสมุปบาทที่กำลังอธิบายกันอยู่อย่างสำคัญต่ะหนชาตลักษณะ5อย่างจนกระทั่งไล่วิธีปฏิบัติไปไล่ไปจนกระทั่งถึงเหตุมันคือตัณหา แล้วก็ปฏิบัติตัญหาหกยืนยันว่าตัญหานี่มีหกไม่ใช่ปฏิบัติตัญหาสามแต่เ็าต้องรู้ว่าตัญหาสามเพราะตัญหานั้นคืออาหารมีผู้เขียนมาคือคุณพิมเพชรรุ่ง เขียนมาบอกว่าโอ้โหได้รับประโยชน์มากแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้เข้าม า, ม า, ม, ามาศึกษามาเรีย น, นอวอนวอรตั้งแต่ต้นบอกภูพิมเพชรลูก่างคนก็คงไม่รู้จักถ้าบอกว่าพึ่งก็คงรู้ <c oughs> น้ำพึ่ง <c oughs> พึ่ ง, <c oughs> ง เ, เข้ามาเรียนอยู่หน้าแอร์คนที่ไปแย่ลังแตนของอุ้งอิกงเข้าๆน้ำพึ่ง เขาบอกว่าดิฉันขอกราบขอพระคุณท่านและทีมงานสื่อโทรทัศน์บุญนิยมทีวีที่ทําให้ดิฉันได้ติดตามการสอนของพ่อครูนี่ให็นหม่เป็นประโยชน์เมือนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาก็ติดภาระของเขาไปทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะเขใช้แม้แต่ไม่อ า, อากาศอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งอยู่เพราะคนทําอินเทอร์เน็ตเป็ น, นเขาก็ตามดูได้ ตอนนี้ก็ออกทางโทรทัศน์แล้วก็เอาก็ดีและที่ท่านได้ส่งมาทางอีเมลนะส่งด้วยเราส่งนอกจากจะส่งทางเน็ตล้วยังจะมีไลายต่างๆเพราะเราก็ส่งกันอยู่ทำกันอยู่นะอีเมลขณะนี้ดิฉันกำลังเตรียมงานพัฒนาความรู้ในข่ายสุขภาพล้างพิษตับที่กลับมาทำตามความรับผิดชอบเดิม ได้เกิดกำลังใจอย่างยิ่งในการเรียนรู้และพัฒนาการบรรยายความรู้ให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์มากขึ้นจากการได้เรียนได้ฟังการสอนวิชาพุทธทชีวสิ่์ของพ่กครูจึงขอถกไว้รายงานจากสภาวะาที่เกิดขึ้นเพื่อขอคำแนะนำจากพวอครูตามที่เขียนรายงานส่งมานะคะส่วนเรื่องที่กำลังจะนามาเสริมการบรรยายในค่ายสุขภาพ เรื่องอาหารสนะอย่างได้ความรู้อันนี้ไปบรรยายนี่ละในเขาก็ดีนะทำเรื่องล้างพิษแต่ก็สอนธรรมะจากได้ความรู้เรื่องอาหารสี่กัวรินกราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและมีญาณอาหารกับสุขภาพองค์รวมนะกับสุขภาพองค์รวมก็คงจะพูดถึงกัวรินกราหารนั่นแหละแต่จริงจริงมันรวมกันกัวรินกราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารมีญาณอาหารมันรวมกัน นะอาตมาก็เจตนาจะอธิบายอยู่ในพุทธชีวศิลป์ก็เมื่อพึงเขาเอานี้ขึ้นมาก็ค่อยไว้อธิบายเลยนะเดี๋ยวข่าวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้พุทธชีวศิลป์ละนะก็ค่ออธิบายอาหารสีเนี่ยนะรู้แล้วมันจะเข้าใจแล้วมันจะได้ปฏิบัติได้นะมันเกี่ยวกัน อาหารกาำลังกินกระลาราหากเกี่ยวกับปัสสาหารเกี่ยวกับเจตเจตมโนสเจตนาเกี่ยวกับกวบบิญญาณ ญ, ญาณอาหารเกี่ยวกันนะค่อยอธิบายพรุ่งนี้นะตามที่ได้เรียนรู้นะจะได้รู้ตามที่เรียนรู้ศึกษาฟังทำจากพวกครูและค้นคว้าเพิ่มเติมมาและถ้าพวกครูะจะเมตตาแสดงธรรมในเรื่องอาหารสีน่นี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ดิฉันจะได้น้อมนํามาเพิ่มองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไปค่ ะ, ะก็ดีน ะ, อ, ะ, อ, ะอยู่ในเข้าขายที่เรากำลังจะนั่นอยู่เลยก็อยู่ในเล่มส6นี่แหล ะ, ะปุตตะมังสะสูตรนะอยู่ในเล่มนี้แหละเดี๋ยวก็บายอาตมาจะหยิบมา อ, ธ, า อ, ธ, าอธิบายก่อนก็ได้นะมันเราสามารถที่จับ ดับพบจบชาติเพราะเราสามารถที่จะรู้จักเหตุที่มันเกิดชาติมันเกิดนั่นแหละความเกิดชาติมันเกิดนะพอเรียนรู้อกกันติกะความเกิดถึงตันแยกว่าชาติที่เรียนสัก5้หนึ่งชาติสองสัญชาติสมอกกันติกะสมนิพัติเอ้สี่นิพัติสมอกกันตินะแล้วก็นิพัติแล้วก็อภินิพัติเนี่ยถ้าก็แบ่งไม่ให้เห็นชัดเจนว่า ไอ้อกติเต็มันกลางๆแล้วมันเรียนรู้แล้วไอ้นี่อย่างนี่โลกีนิอวิชาก็อยู่กชาติสันชาติหมุนเวียนอย่าน้เกิดมาชาติแล้วก็เป็นสันชาติก็เกิดสันชาติยานอยู่อย่างนี้จนเรียนรู้สามารถที่จะทําให้จิตวิญญาณเราเกิดใหม่โอกันติมันหยั่งลงมาก็จับตัวมันได้จับได้แล้วก็กําจัดมันได้กำจําได้มันก็เปลี่ยนมาเป็นการเกิดใหม่เป็นนิพพติ เกิดใหม่เกิดใหม่เกิดให ม, เใหม่เกิดเป็นโลกุตระบุคคลไปเรื่อย ๆ, ๆสูงสุดก็เป็นอภินิพัติหมดชาติอภินิพัติก็คือเกิดใหม่เกิดเป็นปรมาตมันเกิดเป็นพระเจ้าเกิดเป็นจิตวิญญาณดีที่สุดสูงที่สุดเลยก็ดับภพบจบชาติที่จะต้องฆ่าได้ของพุทธถึงอย่างนั้นสามารถดับภพบจบชาติได้อย่างสนิทบริบูรณ์ สีอเทวนิยมเชื่อว่ากรรมวิบากไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะกรรมวิบากไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายตัวกรรมวิบากไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายตัวเพราะกรรมวิบากใดที่เราทําสําเร็จแล้วมันอยู่กับเราแล้วมันก็ออกบทบาทตามฤทธ แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิบากใหม่ที่เขาไปแก้ลดอำนาจวิบากเกา่าอำนาจวิบากเก่าจะหมดไปได้เพราะหนึ่งนะเราไม่ทำอีกคนเราเนี่ยทุกวินาทีทุก เร็วยิ่งกว่าวินาทีเนี่ยคุณเติมกิเลสทั้งนั้นเลยขนาดเราปฏิบัติธรรมในคุณเติมกิเลสไม่ทุกวันเนี่ยเติมทางรูปไหมเติมทางรสไหมกลิ่นเสียงสัมผัสแต่เรารู้ว่าเราบัญญะบัญยังเราไม่ผีพรามเราไม่ตกาตะกรามเราไม่ไม่เอาวิชาเรารู้แล้วควรจะ เออพออย่าไม่เอาแล้วมันจะลดมันจะเลิกมันจะละมาเรื่อยๆตามลำดับแต่เติมเพราะงั้นคนที่เอาวิชานะั่นน่ะมันอยู่กับทุกเศษเสี้ยววินาทีของเติมกิเลส ท, ทั้งนั้นเลยอยากได้ละอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้รูปลถทินเสียงสะผัดอยากได้หย มันอยากไม่มีขอบเขตเลยมันอยากทุกอย่างเลยขี้มูตราขี้ม้าแห้งอะไรมันอยากหมดมันน่าเศร้าจริงไออวิชาเนี่ยมันน่าเศร้าน ะ, ะเพราะฉะนั้นวิบากใดที่คุณเองคุณทําไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วมันจะออกฤทธิ์ให้คุณ ใช่นี่ต้องต้องคุณต้องรับวิบากเมื่อเราสามารถทำให้วิบากเก่านั้นมันก็จะออกฤลิดชาตามเวลาทัานนานมันก็ชาขึ้นทัานนานมนหลายปีหลายเดือนหลายวันนานหลายชาติมันก็ชาขึ้นช้าขึ้นเท่านั้นเองเพราะคุณจะมีวิบากใหม่เข้ามาขั้นฟังนะอันนี้เป็นอจินไต่ที่ยากมาก มีวิบากใหม่ถ้าเป็นวิบากไม่ดีมันก็ไปเด็กันมาเด็กันรวมหัวกันใช่ไหมวิบากไม่ดีด้วยกันยิ่งเป็นตระกูลเดียวกันนะมันก็ไปกันใหญ่เลยมันก็ผสมรงกันใหญ่แต่ถ้าเป็นวิบากที่คนละตระกูลมันก็จะขั้นขั้นขั้นเพราะงั้นวิบากพวกนี้ก็จะมาหาเรายากขึ้นไม่หมดไปนะริด้อยลงน้อยลง สองไม่สร้างวิบากใหม่หนึ่งไม่สร้างหนึ่งมันทำให้เกิดทำให้วิบากเก่านั้นชาลงชาลงคนที่ปรินิพานนั้นไม่ได้ไปดับวิบากนะวิบากตามหาอยูแม้แต่ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังถูกวิบากตา ม, มาทัน แต่เราปรินิพานเราดับศูนย์ไปก่อนวิบากมันจะตามมาทันผู้เป็นอรหันต์ที่ปรินิพานเป็นปรโยสานตายเป็นที่สุดท้ายท่านหนีมันเลยหนีวิบากเลยดับอัตภาพศูนย์วิบากก็หาไม่เจอ แม้วิ่งมาทันก็หาไม่เจอเฮ้ยเป็นไหนวะยอดเยี่ยมไหมอเพราะฉะนั้นหนึ่งหาอะไรมาขั้นวิบากเก่ามาให้มันออกมาทันโดยเราสร้างกุศลวิบากขั้นๆๆๆข ข, ข, ข, ขไว้มีกุศลด้วยนะสอง ธรรระกิเลสใหม่ที่มันจะเกิดเจิดเกิ ด, กดไอ้กิเลตของเก่าก็ไม่ได้ไปทําลายมันหรอกเพราะมันเกิดแล้วมันก็เกิดเลยกิเลตเก่ามันทํางานแล้วมันก็ทําเลยไปวิบากไปแล้วแต่กิเลตปัจจุบันนี่เกิดเดียเด๋ยวนี้ฆ่าเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้ฆ่าเดี๋ยวนี้ฆ่ากิเลตปัจจุบันนั้นั้นไม่ได้ฆ่ากิเลตเก่าที่ไหนเลยเพระเจ้าจพระเจ้าต้องให้กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้เกิดกิเลตเดี๋ยวนี้ฆ่าเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่นั่งไปทําให้กิเลสมันยิ่งไปนั่งหลับตายิ่งไปหมกหมักมันไว้มันก็มากเขาไปแล้วมันไม่จไมได้ฆ่าเพราะฉะนั้นของพระเจ้าจึงลึกซึ้งมากหนึ่งสร้างกุศลขั้นสองฆ่ากิเลสทุกตัวให้ได้รู้จักหน้ากิเลสให้หมดทําลายกิเลสให้หมดในโลกในมหาจักรวาลนี้กิเลสมันมีหน้าไหนมันมาเมื่อไรฆ่ามันทุกตัวรู้จักกิเลสหมดทุกตัวมีดิษมีอํานาจของจิต กิเลสเข้าไม่ได้อีกจบเหลือแต่วิบากเก่าจะตามมาเล่นเพราะฉะนั้นท่านสร้างกุศลคั้นไว้วิบากก็เหลือน้อยอย่างพระพุทธเจ้านี่ยนะวิบากโอ้โหเยอะแยะเหลือน้อยจนกระทั่งสุดท้ายถึงวันถึงครั้งที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จมันก็ยังมีวิบากเหลือน้อยนยิดเดียวเสร็จงานท่านจบท่านก็ปรินิพานไปวิบากไล่มาทันเฮ้ยไปไหนวะตามไม่เห็นตัว ปรนนีน่ผ่านไปแล้วนี่ไม่ได้เล่าตลกนะไม่ได้เล่าเรื่องตลกนะเรื่องจริงเป็นอจินไตเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้หรอกเดาไม่ไ ด, ด้คิดเองไม่ออกหรอกถ้าไม่รู้จักความจริงเป็นสภาวะจริงของกรรมของวิบากนี่ทิ่อัตมาพูดนี่อัตมารู้ภาวะของกรรมของวิบากมันทำหน้าที่อย่างไร ก็เออธิบายสู่ฟังนี่อธิบายสู่ฟังถึงหน้าที่หน้าที่ของบาปหน้าที่ของกุศลแม้แต่หน้าที่ของบุญบุญคือหน้าที่กําจัดกิเลสเพราะฉะนั้นทุกวินาทีต้องพยายามฆ่ากิเลสถ้ากิเลสหมดแล้วก็หยุดทําบุญละจบบาปก็ไม่มีเข้าอีกแล้วมีแต่บาปวิบากวิบากวิบากบาปเก่า ก็เราสร้างขั้นแล้วด้วยมันก็มาไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเป็นอรหันต์แล้วคุณก็หลายองค์ท่านก็บอกไม่เอาเดวิบากก็ยังมีอีกเยอะมันก็ตามมาเล่นงานอยู่ก็ใช่ยังขนาดพระโมคคามก็ตามมาเล่นด้วยท่างโอ้โหตายแล้วตายอีกอะไรมีต่างๆ น, น, นานาสารพัดอีกเยอะต่าไปอีกก็เป็นอจินไตนะแต่ท่านก็ ก็ว่าของท่านไปท่านจะตั้งจิตต่อไหมนะจังจิตต่อก็อิบาก็อิบากแต่มันก็ลดลงเพราะทุกเวลาคนที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยบาปไม่มีแล้วไม่สร้างกิเลสอีกแล้วกิเลสไม่มีอีกแล้วมีแต่สมกุศลกุศลก็มีแต่ขั้นๆ้นขั้นมันก็ยิ่งห่างห่างนานนานานไกลตามไม่ทันง่ายเลยมาก็เรอแต่เรือแต่ พริว พ, พ, พรายมาเหมือนอย่างพระเจ้าหรือต่เศษละอองทุลีมาให็นไหมเบาๆ บ, บ, บางๆอะไรที่มาไม่ได้แล้วมาไม่ไหวแล้วก็ไม่มาก็เหมือนหมดแต่มันไม่หมดนะเหมือนหมดแต่มันไม่หมดแต่มันมาไม่ถึงเราแน่มาไม่ถึงเราเั็นสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราสิ้นอั ต, ตภาพแล้วมันก็เลิกกัน ไม่ว่ากุศลหรืออกุศล ก, ก็เลอกกันเป็นหมดนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องอจินไตยที่เล่าสู่ฟังเอาดับภพบจบชาติสีอเทวนิยมเชื่อว่ากรรมวิบากไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายตัวอ้อเมื่อกี้นี่สี่แล้วนี่เนาะเนี่ยมันไม่เที่ยงอะไรเที่ยงก็อธิบายฟังแล้วอะไรที่ไม่เที่ยงก็คือเนี่ยกรรมวิบากแม้แต่กรรมวิบากตัวที่มัน มันเที่ยงพวกมันนะแต่มันก็ไม่เที่ยงมันทำร้ายเราไม่ได้เพราะเรามีความรู้จ้าท่านคนพบสิ่งที่ทําอย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วนะมันก็หนีได้นะหลีความเที่ยงได้นะหนีความเที่ยงได้เพลัง ก, กรรมวิบากทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ยเราหนีความเที่ยงซะเราก็เลยเมินกับเที่ยงห น, นีความไม่เที่ยงไม่ไม่ใช่หนีความเที่ยง นี้ความไม่เที่ยงเสแท้เราก็เลยเมือกับเที่ยง 5. สุขของอเทวนิยมเป็นสุขแบบโลกุตระอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าอธิบายมามากแล้วสุขของโลกีนะ่ะมันสุขหลอกสุขเทศสุขคลิกะแต่สุขแบบโลกุตระนั้น มาแบบสุขของอัตถวานิยมมันเป็นสุขโลกุตระมันเป็นสุขไม่มีสุขมันเป็นสุขสงบมันเป็นสุขไม่มีกิเลสโลกโลกีมันไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ของโลกีอยู่ก็ราบมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์อยู่ก็บยศมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ก็สันเสริญมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ก็นินทามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ก็เสื่มลาบมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ อยู่กับเสือมยศมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่กับรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันสุขอย่างสงบสันตาเชื่อมละเอีดปณีนะนิพุนามันสงบสงบของโลกีเขานะ่ะมันจะต้องสงบมันหยุดนิ่งๆเฉยๆนี่มีนิ่ ง, ง, ง, ง, งก็เห็นก็รู้ทุกอย่างเลย โลกีเป็นยังไงลาบยศสันเสริญเป็นยังไงรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นยังไงมันจะยัวะย่วจะยวนจะกระทุ้งกระแทกกระเทือนยังไงแล้วก็ไม่เกิดกิเลสกระเพื่อมอะไรเล ย, เลยมันจึงสุขสงบอย่างแท้จริงหโลกของอะเทวานิยมนี้รู้รอบถึงขั้นดับวัฏสงสารดับความวน เพราะโลกโลกคือความวนความวนของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเมื่อดับกิเลสออกไปแล้วจบกิเลสไม่มาวนกับเราอีกเลยเราก็วนของเราไปโดยไม่ต้องมีกิเลสมันก็เกิดอยู่วนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้จะเป็นพระอาหารหันต์ที่จะขอเกิดมาอีกก็วนอยู่ในวัตสงสารได้แต่ดับวัตสงสารส่วนหนึ่ง ส่วนที่มันอยู่ก็เราที่เป็นอกุศลที่มันทำให้ทุกข์หรือทำให้ชั่วแล้วก็ดับเหตุตัวนั้นหมดเพราะาจิตปิญญาของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ตลอดไปไม่เกิดความวนที่จะไปทุกข์หรือไม่เกิดความวุนที่จะไปชั่วอีกแล้วนี่ก็เป็นสุดยอดแห่งการกเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์ไม่ทุกข์และมนุษย์ไม่ชั่ว ไม่มีวนมหาชั่วไม่มีวนมหาทุกข์ไม่ทุกข์ไม่มีวนมหาอีกชั่วไม่มีวนมหาอีกแต่ที่อาตมาพูดไปนี่หลายคนอาจจะแยง้งอาตมาได้เล่าชีวิตชาติชั่วมันโล่ลิงลมอมกระพองโลกมันครอบงา ม, มาเป็นหลงชั่วหลงชั่วหลงทุกข์หลงสุขอยู่แบบโลก อันนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของโลกที่มันครอบงําำจะลิงลมอมก็พองนี่ขออธิบายซ้อนให้ฟังไปรเดี๋ยวพวกคุณคิดได้ว่าเอา้าทําไมพระเจ้าเขายังมาสู่มาทุ่งอยู่ล่ะพระเจ้าเขายังมามีวนมากลับมาในวัฏฏสงสารมันมีลูกมีเต้ามาันมีกามมันมีอะไรอีกจ้ะ อ, อะไรต่งตางๆพวกนี้นีจะไม่เข้าใจก็อธิบายซะ พออธิบายมาก่อนแล้วกจ็จะไม่สงสัยไม่ใช่วัตถุสงสารแท้มันเป็นชั่วชั่วสมมุติตามที่บากของแต่ละค น, นะที่อัตมายกตัวอย่างพุทธเจ้าก็ดียกตัวอย่า ง, า อ, างอัตมาเองก็ดีแม้แต่พวกคุณก็เถอะหลายผู้หลายคนก็ไปจมอยู่ในโลกรีโยกทั้งเฮ้ยนี่ก็ยังไม่เหนื่อยกันเยอะเนี่ยดูแล้วนะแต่ยังไม่ยอมเหนื่อยอยู่นั่นแหละยังวนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะยุด ไปหาพระแสงดามยาวอะไรก็นกนักกัหนายึดจันจังสมมรวิสมัยนี้ม่ต้องใช้อย่างนี้่ไม่งั้นไม่ได้หรอก <c oughs> ม่อย่างนั้นนะกไมไม่กระทุ่งกิดเทือนอะไรแล้วชยนะสรุปแล้วก็คือตัดขาดความวนได้อีกเจ็ดอเทวนิยมมีลักษณะเข้าถึงอริยะ อารยคํานี้นี่อาตมาพยายามที่จะใช้บัญญัติภาษาขึ้นมาใช้จริงๆเพราะมันใช้แล้วมันภาษามันเพีเพ้ยนมันเสียหมดอาระยะมาจากภาษาสันสกฤตเขาก็เอามาใช้ความหมายเดียวกันนี่แหละโล ก, กุตรธรรมนี่แหละแต่มันเพี้ยนไปหมดแล้วผิดไปหมดแล้วมันเป็นโลกียะไปหมดแล้วทางเทราวาสก็ยังยืนยันอริยะอยู่ คำอาริยะเป็นความเลิศความประเสริฐหรือความหมายของทางตะวันตกทว า, มมายทั้งทวโลกเขาก็คือภาษาทําเป็นภาษาอังกฤษก็ซ i วิลไลซ์นี่แหละซีเ i ลไลเซชันนี่แหละอริยะอารยะอริยะอารยะทางโลกข้างนอกเขาเข า, เขาเรียกอาริยะแต่ทางด้านาศาสนานี่โดยเฉพาะเทราวะเราเรียกอาริยะ แต่มันเพี้ยนหมดแล้วมันสภาว่ามันเข้าใจเพี้ยนไปหมดล้ะมันไปยึดเอาอะไรที่มันนอกรีดเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะอรหันต์ก็อรหันต์พร้อมหมดลวมันไม่ไปจะอริยะแท้อัตมาก็เลยไม่อยากจะใช้กับเขาก็เลยเอาอริยะนะเพราะ้ลักษณะของเทวนิยมนี้ได้ความประเสริฐจริงได้ความเจริญจริงอริยะหรืออารยะหรืออริยะอะไรพวกนี้พยัญชนะมันก็นั่นแหละ พยัญชนะมันก็คำต่างๆแต่สภาวะความประเสริฐความเจริญนะจะเริญอย่างนี้จริงเข้าถึงขั้นนี้จริงอเทวะเนี่ยเข้าถึงความเจริญจริงยังชาวโศกเรานี่จเจริญเพราะเรามีอารยธรรมหรือเรามีอารยะของโลกต้องการโลกก็ต้องการอย่างเราต้องการต้องการว่าคุณไม่เป็นคุณสมบูรณ์แล้วในเรื่องหลักคุณสมบูรณ์แล้วในเรื่องยศ คุณสมบูรณ์ในเรื่องสันเสริญคุณสมบูรณ์แล้วในเรื่องของกามเรื่องของอัตตาคุณสมบูรณ์หมดเพราะคุณเต็มแล้วเต็มแล้วคืออะไรรู้เปล่าไม่มีหนึ่งยังไม่มีเลยหนึ่งถึง9เนี่ยมันเกิดจากนี้จากศูนย์เนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าอยู่ในนี้หมดอะถ้ารู้จกักแต่จะเริ่มจุดหนึ่งแล้วก็มาเป็นสองอยังไม่ไปไหนหนึ่งสองนี่ยังไม่ไปไหนเดินอยู่ในแนวระนาบแค่นี้ยังไม่ออกไปดิ้นตรงไหนเลยมีแต่ระยะยาวนานแต่ไม่มีริดแดงไปอารวาสอะไรใครที่ไหนพอเริ่มมีองศาขึ้นอารวาสแล้ว พอด้บอุสามากขึ้นเป็นวนเลยทีนี้อารวาดรอบเลย 3. าจุดอารวาสรอบเลยเสร็จแล้วไม่หยุดส 5, 6ห้าหเป็นระนาบใหญ่เลยทีนี้วนไปอารวาดวนอย่างนี้ไปเจ9ปดตอนนี้อารวาดวนโอ้โหทีนี้ จะประคุณเลยลองเอามาดูสิภาพเขีย น, นบนรรพวาคมซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซอนะ้อนน่ะท่านทําแพทเทิร์นนั้นเอาไว้ท่านท่านาแสนดินนําให้ดูวันนั้นว่าอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามันหมุนมันลึกกว่า น, นั้นอีกของอสู่แดทงทำก็ทําไว้แต่ว่ายังไม่ได้หมุนแต่ก่อนที่จะให้วุฒมาทําให้หน่อยนึ่งเอา้าวุฒก็ยังไม่มาสักทีหนึ่งท่านแอนดี้เจอไหม เอาลองกดออกมาดูที่มันหมุนอ่ะมันวนกันอย่างที่ว่าเนี่ยเศร้าพวกนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อัตมามาบคิดเอามาสร้างออกมาครัการนำมันได้เป็นนักแพทย์เทิร์นนักสร้างภาพนักก็ทําอะไรพวกนี้หรอกแต่พวกนี้มันเป็นสัจธรรมอัตมาก็มาอธิบายมาพูดเป็นภาษาเท่านั้นเองเพราะจากหนึ่งและสองเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นระนาบเท่านั้นมันจะไม่เกิดความวนมันจะไม่เกิดย้อนไปย้อนมา มันจะไม่เกิดอารวาสไปมีขอบเขตอะไรมันก็จะอยู่ในแนวระนาบอยู่แค่แค่นั้นนะเพราะขึ้นสามมันเป็นองศาขึ้นมามันก็จะเกิดวงรีก็มากขึ้นหน่อยนึงวงรีขึ้นมาพอ อ, อ, องศาขึ้นไปจนกระทั่งถึงเท่าไหร่สี่ห้าองศาปั๊บก็ได้มุมเลยตอนนี้ก็ได้สี่ห้าองศาก็วนเป็นลงวงกลมได้เลย อ่สี่าสาห้าอุสานี่มันก็คือนี่มันอธิบายอย่างนี้ได้เท่านั้นเองมันก็เกิดริษแรงอารวาสรอบทวนเลยเสร็จแล้วมันไม่หยุดมันก็ไปสีหหส่ห้าหกสีห้าก็เกิดจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ก็จักรวาลสองจักรวาลขึ้นมานะพอจักรวาลสองออกมาแล้ว มันก็มีอํานาจมีฤทธิ์มีแรงถ้าเพอร์บิษแดงเป็นโลกียะมันก็อรารวาสเป็นโลกียะไปเรื่อยถ้าเป็นโลกุตระก็จะเป็นโลกุตระที่สมบูรณ์กั น, นเรื่อยนะเพราะนั้นพอถึงหถึง7ดนะถึงเออไม่ใช่ถึงอ่าใช่ถึง6กก็เป็นสองนะเป็นสองเศร้า 3, 3, สามสาสองเศร้า มันก็จะมีเพิ่มอำนาจเพิ่มพลังงานเพิ่มฤทธิ์เดชเพราะฤทธิ์เดชของอวิชชามันก็เกิดอวิชชาซ้อนซ้อนซ้จึงเรียกว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่โอ้หนักหนาสาหัสทุกวันนี้ไม่ไม่รู้ว่าวงวนพวกนี้เนี่ยมันเกิดกี่ซ้อนนี่ท่านทำวงวนออกมาเป็นภาพให้ดูเนี่ยนะมันได้มาซ้อนวงซ้อนกันหมุนรอบตัวเองซ้อนหมุนรอบไม่เท่าไรหรอก ไม่กี่ชั้นหรอกแต่ก็ดูได้ดูรู้เหมือนไอ้นี่มันนิ่งๆอย่างสู่ได้ตามเคยทาให้มาแต่ก่อนนี้ให้วุฒมาทําทีหนึ่งแล้วก็เขาก็ทําแล้วยังไม่ไม่ไมาให้มาทําต่อก็ไม่มาอท่านแชนดินก็พอทําพวกนี้เป็นก็เลยต้องทําให้ดูวันนั้นบอกว่าใช้ได้ไหมไอันนี้บอกใช้ได้แต่อัตมาไม่ได้บอกไว้ว่าจะใช้ไม่ได้เจตนาจะอธิบายวันนี้อัตมาขาออภัยเนี่ยเปิดเผยไม่ได้เตรียมการสอน <laughs> เขียนในหนังสือเขียนตะพึดอยู่ตรงตเขียนในมุมมุ่นอยู่ในหนังสือไม่ได้เตรียมการสอนสดทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นก็ว่ากันไปนะอธิบายไปอะไรก็อธิบายไปเรื่อยๆแต่พวกเราก็คงพบไม่มีปัญหาอะไรก็พอรับได้ไมันมันใช่ไม่ได้ไงเอาเอ่าตัวไหนละ่ะทำไมคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งให้เป็นคนนึงใช้เออ อ๋ออันนั้นไม่ต่อสายอันนี้ไม่ได้ต่อสายหรอหรือไงไกลายเป็นสู่แดนทำทํามาสองสายเลยไม่ได้เลยรู้ว่าสายต้องสายเดียวอะอ้าวเอาละมันามาก็ค่อยอภิปรากันไปต่อนถ้าทําได้ก็เข้ามาดูวงวนพวกนี้นะเพราะงั้นอเทวานิยมนี้เข้าถึงอารีเข้าถึงความเจริญเนี่ยมันจะรู้โลกรู้โลกีแล้วเราก็อยู่เหนือโลกี เป็นอาระยะหรือเป็นอาริยะหรือเป็นอริยะอะไรเนี่ยเป็นความเจริญเนี่ยเทวนิยมนี่เข้าถึงลักษณะความเจริญที่อัตมากาลังยืนยันเน่มันโลกเขาก็ต้องการอันนี้ธรรมะก็ต้องการอันนี้เอออันพวกนี้แหละเนี่ย่มันก็หมุนข้างหมุนหัวจะทถ้าหมุนอย่างงั้นแหละเราจะต้องมีเส้นอีกทช่า แล้วก er we ็จะทําวงวนซ้อนอีกไม่หลายวงหลายเส้นมันหมุนไปไม่ต้องไปให้ตัวน ja ั้นเอียงตัวนี้ก็หมุนของตัวเองระนาบหนึ่งเอียงไปอีกองศาหนึ่งก็หมุนมาอีกกลุ่มหนึ่งเอียงไปอีกองศาก็หมุนมาอีกเอียงไปอีกหลายองศาก็หมุนมาอีกซ้อนซนเข้ามาอีกตั้งไม่รู้กี่หน่วยตัวกี่หน่วยเติมก็มาอยู่งั้นนะไม่หยุดนะทีละเส้าทีละเส้าทีละเส้าสามเส้าหกเส้าเก้าเส้าสิบแล้วก็เป็นอ่าสิบแล้วก็หมุน พอสิแล้วก็ะมุนก็เกิดเศร้าใหม่เป็นก้าใหม่ก็หมุนขึ้นอีกใหม่ไม่รู้กี่หมุนต้องกี่หมุนนี่แหละนี่ยังไม่ซ้อนนะยังไม่ซ้อนถ้าหมุนนี่เป็นเส้นซ้อนซะแล้วก็มีไหลๆอีกอะไรไม่รู้ไ ห, หน่วยพวกนี้เนี่ยจะซ้อนซ้อนจนกระทั่งเต็มไปหมดเลยมันจะเต็มไปหมดเลยเอาละใช้จินตนาการนอน ก, กันแล้วกั น, นมีภาพให้ดูแค่นั้นน่ะ สรุปแล้วที่เอามาอธิบายนีย่มันก็เกิดจากาธาตุรู้เกิดจากจิตอินยาณรู้ว่าอะไรมันมันวนเวียนอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็เป็นาธาตมันเพราะฉะนั้นมันจะปรุงแต่งมันจะสร้างอะไร อ, อะไรขึ้นมาในโลกนี้ถ้าเผื่อว่าผู้มิภูมิ ค, มคุ้มกันแล้วอยู่เหนือนโลกเป็นโล ก, กุตรธรรมแล้วคุณก็รู้ว่าโลกกิยะมันเป็นอย่างนี้คุณมีความรู้ความสามารถคุณก็ทา เสร็จแล้วทำแล้วคุณก็ไม่ได้แยแสกไอ้พวกนั้นสิ่งนั้นก็อาศัยสร้างสรรไปทําประโยชน์ไปเท่านั้นเองไม่ได้ติดยึดเพราะฉะนั้นในโล ก, กุตระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาริยชนที่แท้จริงเนี่ยมันจเจริญทั้งราบยศสรรเสริญโลกีสุขเช่นพวกเราเนี่ยรวยนะแต่เราไม่สะสมความรวยเป็นของเราเลยเราสะพัดออกเป็นนักเรศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่ง มีเท่าไรก็สพัพพัมีเท่าไรสพัพพัแล้วไม่หาทุนแบบทุนนิยมไม่เสริมทุนไม่สะสมทุนทุนนิยมนั่นเขามีห้าแล้วเาก็ใช้นะมีห้านี่เขาใช้ของเขาได้เขาก็หาให้ได้10บได้10บเขาใช้ห้าอยู่เขาก็เอาห้าไปออกดอกออกผลออกปันผลอีกอารวาท แล้วมันก็ออกมาเขาก็ไม่พอจะได้สิบเขาก็ไปออกดอกออกผลเอาสิบมาเป็นต้นทุนอีกต่อไปอีกอยู่เรื่อยๆมาเป็นของเขาเรื่อยๆแต่ของโลกุตระนั้นอาริยะของพุทธนั้นสร้างหเก่งสร้าง10บเก่งสร้างยีสเก่งสร้างร้อยเก่งสร้างพันเก่งขยายเหมือนกันแต่ไม่เก็บหนึ่งไม่เก็บมาหาพัฒนาทัพ เป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นทบต้นเป็นดอกกุหรือเป็นปันผลทบต้นทบไปทบอีกเป็นปฏิภาคทวีข้ยิ่งหนักขึ้นบุญนิยมไม่ทำนบุญนิยมไม่ทำนอกจากไม่ทำแล้วแม้จะได้เพิ่มขึ้น สมรรถนะคราวนี้เราทำได้มีความสามารถทำได้ราคาของเราประมาณ5นานขึ้นเราก็ยิ่งเก่งยิ่งชำนาญยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีความสามารถมากเพิ่มขึ้นเหมือนกันกับโลกเขาเพราะเราไม่ได้หนีจากโลกเราทำงานอยู่กับโลกซับซ้อนมากนะเราทำงานกับโลกเนี่ยนะกังวลมากเพราะงะั้นทำงานจะไม่ได้คล่องตัวไม่เป็นกรรมยตา ก, การทํางานไม่เป็นกรรม ญ, ญาตาไม่เป็นการงานที่เหมาะควรเหมือนอย่างพวกโลกุตระธรรมโลกรุตระธรรมจะมีกรรม ญ, ญาตาเป็นการทํางานที่คล่องตัวคล่องตนไม่มีอะไรที่จะมาต้านสร้างสารรค์เพราะไม่ตร ะ, ตะกงวันตรเพียงจะคิดว่าเอออันนี้มันจะคุ้มทุนไหมเนี่ยอันนี้มันจะได้กําไรเท่าไหรว่วะเอออันนี้มันจะสู้เข้าได้ไหม ไม่ต้องเสียคารรี่ในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นพลังงานที่คนโลกุตระอารยะบุคคลของโลกโลกีโล ก, ก, โล ก, กุตระเนี่ยทํางานจึงมีพลังงานเหนือชั้นกว่าโล ก, กียะเขามากเลยซับซ้อนฟังเข้าใจไหมฟังนึกออกไหมเพราะฉะนั้นยิ่งทำมันยิ่งมีราคามันยิ่งมีค่าสูงกว่าทางโลกีย์เขา แต่เราก็ยิ่งสูงยิ่งพัฒนาก็ ย, ยิ่งเอาออกได้มาเอาออกเอาออกจนไม่ต้องไว้เลยเหลือที่จะทํางานอาศัยที่พอเหมาะพอควรเท่านั้นจึงเรียกว่ากัมมัญตาจึงเรียกว่าพอเหมาะพอควรเป็นผู้ประมาณอย่างดีนะเพราะฉะนั้นคนอารยะหนึ่งคนเนี่ยมีคุณภาพมีค่าทางเศรษฐกิจ สูงกว่าคนทางโลกิยะมากมันซับซ้อนที่มองไม่เห็นทันเดงเขาทำไปในกรรมกิริยาของเขาทุกวันและเขาก็ไม่สะสมและเขาก็ไม่หาดอกเพิ่มไม่หาปันผลเพิ่มหนึ่งไม่เพิ่มจากทุนของเราเพราะเราไม่เอามาทุนมาหาประโยชน์แล้สัพพัฒ์ไปหมดเลยไม่เหลือทุนเลยมันซับซ้อนไหม เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่มีค่ามากกว่าคนโลกไม่รู้กี่ชั้นทนักเศรษฐศาสตร์ปฏิพันธ์หัวดีๆมาฟังอาตมาพูดจะเข้าใจอย่างชัดเจนไวเลยนะแต่เราทำงานเราไม่ต้องเสียเวลาเราไม่ต้องเสียคลอรี่เราไม่ต้องเสียอะไรเลย หไม่ต้องเสียทุนรอนสองไม่ต้องเสียเวลาสามไม่ต้องเสียแรงงานที่จะไปสูญเสียทางไอ้ทีโล ก, โลกจะต้องไปกังวลต้องต้องไม่เสพแม้แต่เวลาไปเสพเราก็ไม่เสียนะไปเสียเวลาไปเสพสุขอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงมีเวลาทํางานได้มากกว่าทั้งโลกเขาหมดเลยคนอาริยะของทางโล ก, กุตระจึงมีค่ามีราคาสูงกอ่ามากอ่ะ เป็นอาริยบุคคลและก็ทำงานอยู่กับโลกทำงานให้โลกอาตมาไม่อยากพยากรไม่อยากจะพูดลวงหน้าแต่พูดดีกว่าพูดให้พวกเรารู้พอพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่ามันไม่จริงเพราะมันยังไม่เกิดไงพวกเราเนี่ยนะเป็นคนอาริยบุคคล จะทำงานช่วยโลกแบบนี้โลกาโกกัมปานในอนาคตเราจะช่วยโลกทางด้านเศรษฐกิจชัดเจนเราจงช่วยเศรษฐกิจโลกแน่เพราะเราไม่สะสมเรามีแต่สะพัดออกแม้คุณจะคิดทบทบต้นทบอะไรอย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆนะันะนะต้องให้นักสถิตินักคณิตศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ นักอะไรพวกนั้นเขามาคิดแล้วเขาจะรู้ว่าโอ้มันซับซ้อนอยังไงถ้าเขาเข้าใจสภาวะพวกนี้เราไม่เอาเราไม่ได้สะสมแต่เราสร้างมีราคามีผลมากกว่าของคนคนโลกโลกแล้วเราก็สะพัดให้แก่โลกเราไม่ช่วยเศรษฐกิจโลกเลยสังคมาศาสตร์เราก็ช่วยเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปเป็นศัตรูไปเป็นตัวกวนไปเป็นตัววุ่น เป็นตัวสร้างความยุ่งยากมีแต่ทําให้มันเรียบร้อยสงบรับใช้ไปเรื่อยสังคมศาสตร์ก็สวยก็สงบก็อบอุ่นเราไปอยู่กับสังคมเราไปทํางานกับสังคมแม้จะเรียกมันว่าการเมืองก็ตามเราก็ไปทํางานสังคมศาสตร์ไปรับใช้ไปประสานไปทํางาน ช่วยอันนั้นอันนี้อะไรแล้วแต่ในพฤติกรรมซ้อนๆอยู่ในการเราไปชุมนุมแค่นั้นก็มีตั้งไม่รู้กี่วิชาการถ้าจะแยกออกมาอธิบายมากมายเราไปให้แกสังคมทั้งนั้นเนือ้อเกษศรศาสตร์อีกที่จะพูดถึงสิ่งที่อาศัยสิ่งที่เป็นวัตถุย่งกันเท่านั้นการเมืองเราก็ไปช่วย เพราะฉะนั้นเราจะมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจทั้งด้านสังคมาศาสตร์ที่เราจะไปให้แก่สังคมแต่เราไม่มีเราไม่ได้ไปติดยึดเราไม่ได้ไปสะสมเราไม่ได้มีสร้างรูปธรรมไม่ได้จดบัญชีไม่ได้ตีตราว่าชั้นชั้นที่แ ต, ต, ต่สีห้า ส, ส, สีเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนั่นเป็นนี่ไม่คิด ไม่ได้ไปตาตั้งอะไรเลยแต่เราทำหน้าที่ดีไม่ดีทำหน้าที่ดีกว่ารัฐมนตรีดีกว่าอธิบดีดีกว่าหัวหน้ากองและเราก็ทำกิจนั้นจริงอยู่ในสังคมเลยผู้รู้จะรู้ผู้เห็นจะเห็นที่อาตมาว่าไม่อยากพยากก์ไม่อยากพูดาำน้าก็คือต่อไปในอนาคตพวกเรานี่จะเป็นคนทํา เราไม่อยากได้ยศเราจะได้รับแต่งตั้งนั้นเราก็ไปทำงานโดยไม่ได้แอคติดยดในยศเราไม่ได้ลาบไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่เอาลาบแต่เราจะได้ลาบแต่เราได้และเราก็ไม่เอาไว้เราก็จะสะพัดออกไปให้สังคมอยู่นั่นแหละเราก็ยังไม่มีคงเดิมมาแหละสังคมก็จะได้จ้อนกลับไปคืนหมดเลย แลวราคาของลาบมันสูงขึ้นจริงๆค่าตัวก็สูงขึ้นแน่นอนทางตะวันตกเขาเนี่ยนะค่าสปีดค่าเลคเชอร์นี่นะแพงนะสำหรับคนที่เก่งๆดูแต่เมืองไทยไปจ้างเขามามาสปีดแต่ละคนแต่ละคนทีหนึ่งไม่รู้กี่สิบล้าน คนหนึ่งคนหนึ่งตามราคาค่าตัวเห็นหมให้มาพูดทางด้านเศรษฐกิจแล่มาพูดทางด้านการเมืองจ้างมา ก, กี่สตังกันละ่ะและเขาก็หอบเงินไปจริงๆแต่คนของโล ก, กุตระไม่เอาคอยดูว่าคนไทยนี่แหละพวกโลกกุตระนี่แหละไม่อยากจะบอกพวกชาวอโศกบ้านเมืองนอกมันจะมาเชิญไปพูด แล้วไม่เอาเงินมันขนาดนี้ยังมีคนที่ในประเทศไทยไปเชิญเขามาพูดเช่นไปเชิญอดีตนา ย, ยกของอังกฤษมาพูดคุณปูนี่แหละแล้วก็พูดกันถึงเรื่องราคาด้วยนะเสร็จแล้วเขาก็พูดพูดเสร็จเขาก็บอกไม่เอาเาเงินแล้วเขาก็กลับไปแล้วรู้ใช่ไหม านายกองกฤษไปเชิญมาพูดนะ่ายกเาก็ไม่พูดคุณตั้งราคามาให้ตอนนั้นทนนี้เขาก็ไม่ววาเขาก็มาพูดให้พูดเสร็จแล้วเขาก็ไม่เอาเงินของคุณเนาะก็กลับเทไหมล่ะอาอ่อน่สอนเลยนี่มันยังงี้จริงๆนียงี้งงจริงๆนี่คือคนอาริยะ ในอนาคตพวกเราจะเป็นคนเช่นนี้แหละราคาตามโลกราคาทางไหนก็แล้วแต่ราคาทางความสามารถทางไหนก็แล้วแต่แต่เราไม่เอาเพราะฉะนั้นไม่เอาไปไหนอะ่ะก็ให้กันโลกเราทางานนี่มันก็เกิดพฤติกรรมมันกเกิดแรงงา น, นกเกิดผลผลิตเกิดแล้วโลกก็ได้รับอยู่ตลอดเวลา นี่คือสัจจะที่เป็นอริยะที่สมบูรณ์อริยะแท้ๆเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็ซีเวลไลเซชันที่จริงๆโลกก็ต้องการนะแสัตเอ๊ะเมื่อกี้นี่เขา20่สนาทีเองไม่ใช่แล้วนี่มั2สทุ่มยีกว่าแล้วอะ่ะโอ้ยตั้ง3ข้อเนี่ย8 9ดเก้าสเอาสรุปเลย ศา ส, สดาแปศาสดาของอเทวะนิยมเป็นคนปกติสามัญศาสดาของอเทวะนิยมเป็นคนปกติสามัญไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมเป็นคนเหมือนกับคนทั่วไปไม่ใช่เป็นคนติดดินเป็นคนสามัญเป็นคนเหมือนพวกเราเฉยๆเหมือนกับใครๆไม่ติดยึดอะไรแต่ก็รู้จักค่าของสิ่งที่ โลกเขาสมมติแต่ท่านก็อยู่กับสมมติโดยไม่ยึดอันนี้เป็นภาวะซับซ้อนที่อธิบายยากคุณว่าในหลวงเราติดดินไหมเห็นไหมแต่ท่านก็ยังต้องมีสมมุติที่ไม่ให้เสียสมมุติเลยท่านไม่เสียสมมุติเลยแต่ท่านก็ติดดิน ไม่เหมือนพวกพวกเป็นใหญ่ทั้งหลายแลลวใหญ่จิบหายเลยเห็นไหมซึ่งต้องดูเป็นต้องดูออกไม่ใช่ว่าอัตมามาแกล้งยกยอปอปั้นอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นศาสดาของอัเทวานิยมเป็นคนปกติสามัญ เป็นคนสูงแต่เป็นคนไม่อย่างพระพุทธเจ้าถ้าก็เหมือนสงทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูยกขบวนไปพบพระพุทธเจ้าไปถึงเห็นสงนั่งอยู่ตั้งห้าร0อยหรอือพันห้ารในพระพุทธเจ้าไม่เห็นเหมือนกันหมดนั่ง หมือนกันหมดพระพุทธเจ้าก็นั่งปนอยู่กับสงทั้งหลายแหล่ไม่ไม่รู้พระเจ้าเจ้าศัตรูบอกนี่หลอกเรามาฆ่าเปล่านี่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งอยู่บนธรรมะไม่ได้นั่งอยู่อะไรไม่ได้คือเห็นลักษณะนะมันไม่มีมันมันมันเสมอกันหมดพระเจ้าสาัตว์ตกใจเลยเฮ้ย hey, ที่ถูกหลอกแล้วนี่ในว่ามาพบพระพเจ้าพระพเจ้าอยู่ไหนไม่ได้ทรง เห็นมีผู้เจ้าเลยเพราะคอนเซปต์ของเขานะคนที่เหนือเป็นเจ้าแม้แต่อัตมานี่ยังเห็นเด่นเห็นรู้เนี่ยมาเห็นว่าอัตมานั่งอยู่แนอย่างนี้เด่นแต่นี้ก็นั่งทั้งกับโอพอปราสัยอยู่กับสงธรรมดาพระเจ้าจัสมุตตมารมองไปเห็นหมู่สงนายพระผู้เจ้าไม่มีใครไม่มีรู้ว่าอะไร ส, อส่อลักษณะว่าเป็ น, เ, ปนเจ้าเป็นนายเป็นอะไรเลยไนงะ เนี่ยเป็นคนปกติสามันก้าวคุณวิเศษของอัตถวณิยมคืออนุสาสนีปาติหารไม่อธิบายนะนี่มาอธิบายแล้วคุณวิเศษของอัตถวณิยมคืออนุสาสนีปาฏิหารนะข้อผ่าม น, นะไม่ใช่อิทธิปาติหารไม่ใช้อาเทศนาปาติหารสิบที่พึ่งของอัตถวณิยมคือกรรมขึ้นไปหาข้อที่หนึ่งข้อสิที่พึ่งของอัตถวณิยมคือกรรม ถ้าถึงรู้จักพลังอํานาจของเทวของอเทวนิยมคือกรรมแล้วก็พึ่งอันนี้หรือพึ่งพระัตนาไตรก็คือพึ่งที่พึ่งสูงสุดคือพระพุทธเจ้าซึ่งประธานมาซึ่งมีทั้งเป็นนามธรรมารูปธรรมเดี๋ยวนี้รูปธรรมจริงไม่เหลือแล้วเหลือแต่นามธรรมาก็ตามแล้วก็ปิดธรรมะที่เป็นเนื้อแท้และผู้สืบทอดคือสงอริยสง์เราก็พึ่งสิ่งเหล่านี้กันอยู่ เอา้าเลยเวลาไปหลายนาทีเต็มทีแล้วก็ขอจบการบรรยายสำหรับวันนี้แต่เพียงต่านี้จเจริญธรรมทุกคน